เป็นไงสบายดียังอยู่ที่สงขาอยู่อ่ค่ะอืมอูาใหญ่ขาใหญ่ทำงานธนาคารรเปล่าใช่แล้วก็เขาเสียแล้วเนี่ยที่หลวงตาเคยเล่า ว, ว่าลดเสียแล้วอยอมไ่ช่ว ย, ยอืม อยู่ที่สงขาเนีย่ยอยู่ที่หันใหญ่ป่ะกรุง เ, เทพนะแล้วเป็นคเดียวกันผานคุณอัดเนี่ยอัดเสน่ห์ธรรมด า, าก็ต้องมาด้วยกัน <c oughs> เป็นเงาตามตัวกันพอดีมากราบในหลวงพี่เขาบอกว่ามากราบขึ้นจานกันอืมแล้ว ก, กราบเรียบร้อยแล้วนะ เราต้องรอต้องแปดชั่วโมงเลยใช่ค่ะประมาณนั้นอ้โหทำมายืนรอแล้วก็มีที่นั่งรอกันสองแปดช่วยืนนั่งรีเดิน ย, ย้อองนอย่วอ ไ, อไปอกว่าจะเข้าไปข้างในได้นี่ต้องหลายชั่วโมงต้องตั้งต้องรอบนี้ไปไดนั่งเลยแล้วก็ไม่เคยรอเลยอ่า ก็ครั้งเดียวนะอืมอมืก็ดีความกระตันยูเนะให้เราเป็นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเป็นหน้าเ ง, งาของความดีของจิตใจคนเราจะดีมันก็ต้องรู้จักบุญคุณแล้ก็ เม่มีบุญคุณแมันก็จะได้ทดแทนบุญคุณทำสิ่งที่ดีแล้วจิตใจก็จะเจริญรุ่งเรืองไปคนที่ไม่มีความกตัญญูนี้เป็นคนที่เจริญยากพระพุทธเจ้านี้ท่านก็ยังขนาดแม่ตายไปท่านก็ยังคิดถึงพระคุณของแม่อยู่ ส่งไปสอนถึงสวรรค์สอนให้ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน mm hmm. พระพุทธเจา้าทรงเห็นความสำคัญของความกระตันยูก็แต่เวที mm hmm. ต่อผู้มีพระคุณทั้งหลาย mm hmm. ความกะตันยูจะทำให้จิตใจของคนเรามีความอ่อนโยนไม่มีความแข็งกระด้าง mm hmm. <c oughs> มีเสียสละไม่เห็นแก่ตัว <c oughs> แทนก็ขอให้เราพยายามทดแทนบุญคุณผู้มีอุปราคคุณทั้งหลา <c> ย <oughs> มันทำให้จิตใจเรามีความสุข <c oughs> ล้วจิตใจเราก็จะไม่คิดร้ายไม่ทำร้ายใคร ทำให้เราทำบุญทำทานได้รักษาศีลได้ทำให้เราภาวนาได้ก็ เ, เป็นเรื่องเรื่องที่ดี ใจิตใจพวกเราทุกคนต้องมีบุญต้องอาศัยบุญบุญเป็นเหมือนน้ำมันเป็นเหมือนสเบียงพวกเราเป็นเหมือนพวกยางเดินทางหลงทางอยู่กําลังหาทางกลับบ้านกันถ้าไม่มีสเบียงไม่มีบุญก็จะไม่มีกาลังที่จะพาให้เราไปถึงบ้านของเราได้บ้านของเราบ้านของจิตใจก็คือพระนิพพานเอง บ้านที่มีแต่ความสุขบ้านที่ไม่มีความทุกข์บ้านที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายนักบาต ท, ทั้งหลายท่านทาบุญก็นตรนัน้ท่านไม่ทำบาตรท่านเสียสละท่านไม่เห็นแก่ตัวท่านมีความขยันท่านไม่มีความเกียจคร้านนี่คือคุณสมบัติของ ผู้ที่จะไปผู้ที่จะทำบุญได้ต้องมีความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวไม่เกียดครา้ารมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนขันติบารมีคนเราจะทำความดีได้มันต้องมีขันติถ้าคนที่ไม่อยากจะทำความดี ใครก็ไปทนนั่งรอแปดชั่วโมงเขาคงไม่ไปกันะไปนอนดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าแต่ผลมันต่างกันการทำความดีความตั้งใจจะทำความดีความอดทนอันนี้จะเป็นตัวที่จะชุดยกระดันให้จิตของเรานั้น ไปสู่จุดหมายปลายทางได้มีความตั้งใจที่แน่วแน่มีความขยันมีความอดทนที่จะทำสิ่งที่ดีต่างๆเพราะความดีต่างๆนี้จะเป็นตัวที่จะพาให้เราได้ไปถึงพระนิพพานได้ไปถึงบ้านหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเรามีความตั้งใจที่แน่วแน่มีความขยันที่จะทำบุญมีความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆในการที่เราต้องทำบุญเราก็จะทำบุญต่างๆที่พระเจ้าทรงสอนให้เราทำได้ให้เราทำทานเสียสละแบ่งปันเข้าของเงินทองที่เรามี มาเกิดความจำเป็นความจำเป็นของเราก็คือปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งหง่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยถ้าเรามีพอพอมีพอกินแล้วถ้ามีเหลือก็ควรที่จะเอาไปแบ่งให้คนอื่นที่เขาขาดแครนกันเก็บไว้แล้วมันก็ไม่เป็นประโยชน์มันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้น จากการที่มีของมากๆการที่เราต้องมีของก็เพื่อที่มีไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายเราเท่านั้นมีปัจจัยสี่ไว้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายถ้ามันมีพอแล้วต่อให้มันมีมากอีกสิบเท่าร้อยเท่ามันก็ไม่ได้ทาประโยชน์อะไรให้กับร่างกายทำได้เท่ากันมีพอมีปัจจัยสี่พอแล้วอย่างที่ในหลวงสั้นสอนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อไม่ให้เราโลภ ก, กันเพราะความโลภจะทำให้เราทุกข์กันจะทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขแล้จะทำให้เราวุ่นวายกันทำให้เราต้องมาแก่้งแย่งชิงดีกันทำให้เราต้องมาทะเลาะเบาแวงกันทางที่สอนให้เรารู้จักคาว่าเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงก็คือพอต่อการดำรงชีพมีอาหารรับประทานไม่ขาดแค้น มีเครื่องนุ่งห่มไว้สวมใส่มียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยไว้สำหรับหลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆไม่ต้องไม่จำเป็นจะต้องเป็นของหรูหราไม่ต้องเป็นของแพงของที่ใช้ประโยชน์ได้ก็พอเสื้อผ้าจะราคาแพงหรือราคาถูกเหมือนก็ทำหน้าที่เหมือนกัน มีไว้สำหรับสวมใส่ปกรักษาร่างกายให้ให้ปลอดภัยจากอากาศที่หนาวเย็นหรือปลอดภัยจากแมลงสา์ ก, กัดต่อยต่างๆอาหารก็เพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ไม่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่พิกลพิการที่อยู่อาศัยก็เพื่อให้หลบฝนหลบแดดหลบภัยต่างๆ ยารักษาโรค ก, ก็รักษาไปตามตามสภาพของโรคย่ามันก็รักษาได้จะไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐก็รักษาได้รักษาโรงพยาบาลเอ ก, กชนก็รักษาได้ถ้ามันหายมันก็หายเหมือนกันถ้ามันตายมันก็ตายเหมือนกันเราอย่าไป กังวลกับเรื่องปัจจัยสี่มากนเกินไปเพราะมันจะทำให้เราไม่มีเวลาที่จะมาทำอย่างอื่นทำประโยชน์ทำบุญทำกุศลต่างๆที่เรายังต้องทำกันพอเรามีปัจจัยสี่พอเพียงเรามีเหลือเราก็มีโอกาสได้ทำทานแล้วเราก็เอาไปทำทานกันเอาไปช่วยเหลือกัน คนเราถ้าอยู่ร่วมกันในการทำทานให้แก่กันและกันมันจะทำให้เราอยู่กันอย่างร่วมเย็นเป็นสุขไม่ดูดายคอยดูแลกันชื่อเหลือกันเพราะคนเราเกิดมาเหมือนก็มีบุญมีกรรมมาต่างกันบางคนมีบุญม า, มากก็มีความสุขสบายมากบางคนมีกรรมมาก็ทุกข์ยากลาบาก คนที่มีบุญมากก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนที่มีกรรมมากมันจะทำให้เขาจะได้ไม่ต้องไปกระทำกรรมใหม่ถ้าไม่มีใครช่วยเหลือเขาเขาก็ต้องไปถ้าเขาไม่สามารถหาหาสิ่งที่เขาต้องการได้โดยวิธีที่ไม่ไม่ต้องทำบาปเขาก็ต้องไปทำบาปเขาก็ต้องไปรักทรัพย์ไปทำลายผู้อื่น แต่ถ้าเขาได้รับการช่วยเหลือด้วยการช่วยเหลือที่ถูกต้องคือไม่ใช่แต่ให้ข้าวของอย่างเดียวควรจะให้ความรู้เขาด้วยให้เขามีวิชาความรู้เพื่อเขาจะได้หาหาหาอะไรต่างๆได้ด้วยตัวเขาเองไม่ต้องมาคอยขอเรายังมีคำภาษิตของจีนมังก็บอกว่าอย่าให้ปลาเพียงอย่างเดียว ให้ปลาเราก็ต้องสอนวิธีหาปลาให้เขาด้วยพอเมื่อเขาหาปลาได้แล้วต่อไปเขาก็ไม่ต้องมาขอปลาจากเราถ้าเราไม่สอนวิธีหาปลาให้เขาออกปลาที่เราให้ไปหมดเขาก็ต้องมาขอเราใหม่ให้เท่าของเงินทองให้ปัจจัยสี่ก็สำคัญจำเป็นเพราะเขาก็ต้องอาศัยแต่เราก็ควรที่จะให้วิชาความรู้ ต่างๆเพื่อให้เขาได้ไปทำมาหาเกียรติเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเช่นให้ทุนการศึกษาเด็กยากจนอะไรทํานองนี้เด็กยากจนพ่อแม่ไม่มีปัญญาที่จะส่งเสียให้ไปเรียนหนังสือให้ไปมีวิชาความรู้เพื่อที่จะได้มาประกอบสามมาชีพไม่ต้องเป็นวิชาชีพผู้ที่เป็นวิชาชีพนี้ส่วนใหญ่ก็มาจาก ความไม่มีความรู้นั่นเองไม่มีความรู้ที่จะทำมาหากินเลียงชีพได้หรือไม่เช่นนั้นก็มาจากความเกลียดคร้าน <c oughs> หรือมาจากความโลภโลภอยากได้มากๆตนเองไม่มีความสามารถที่จะหาตามความโลภได้โดวยวิธีสุดจริญก็เลยไปทำด้วยวิธีทุจริต อย่างนี้ก็ต้องให้ความรู้เขาสอนเขาให้เขาเข้าวัดให้ได้ฟังเทศฟังธรรมให้รู้ของโทษของการทำบาปของการกระทําทุจริตเพื่อเขาจะได้รักษาศีลทําทานแล้วขั้นต่อไปก็ต้องรักษาศีลกันเรารักษาศีลได้เราจะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ว่ามันทําให้เราปลอดภัยจากโทษต่างๆนันเอง และปลอดภัยจากความทุกข์ความวุ่นวายใจคนที่ไม่ทำบาปนี้จิตใจจะสบายสงบไม่มีตกกังวลไม่เดือดร้อนแสดงว่าคนที่มีความสงบมากเท่าไหร่ก็ใกล้นิพพานมากขึ้นไปเท่านั้นทําบุญทําทานก็มีความสุขมีความสงบรักษาศีลก็มีความสุขมีความสงบ ทำให้จิตใจเข้าใกล้พระนิพพานเข้าไปเรื่อยๆเรยพราะพระนิพพานก็คือความสงบคือความสุขใจนี้เองการทำบุญนี้ก็เพื่อให้เราได้ขยับเข้าใกล้พระนิพพานทำรักษาศีลก็ยิ่งเข้าใกล้เข้าไปอีกแล้วถ้าเราภาวนาได้ทำจิตใจให้สงบได้ก็ยิ่งจะเข้าใกล้พระนิพพานมากเข้าไป ความสงบที่ได้จากการภาวนานี้จะเป็นความสงบความสงบที่เต็มร้อยเลยจิตรวมนี้จิตจะสงบเต็มร้อยตอนนั้นความโลภโกรธหงงความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะสงบตัวลงแต่ไม่ตายไม่ได้ตายด้วยกำลังของสติของสมาธิแต่ก็ ทำให้เราได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดจากความสงบที่เราต้องรักษาไว้ต่อไปหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาเวลาเราออกจากสมาธิมาพอจิตจะไปโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ให้ใช้ปัญญาที่พระเจ้าทรงค้นพบว่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นี้มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุข มันเป็นสุขเดียวเดียวสุขตอนต้นแต่มันจะต้องทำให้เราทุกต่อไปพอได้อะไรมาแล้วเราก็ต้องรักต้องหวงต้องหวงต้องคอยกังวลต้องคอยดูแลรักษาแล้วไม่ว่าจะดูแลให้ดีอย่างไรก็ตามสักวันหนึ่งก็ต้องพัดพากจากกันเขาไม่ไปก่อนเราก็ไปก่อนเพราะของทุกอย่างมันไม่เที่ยง มีเจริญมีเสียมมีเกิดมีดับมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆดั้เราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอยากไปอยากอยู่กับความสงบอยู่เฉยๆเนี่ยดีแล้วจิตสงบนิ่งสบายนี่ดีแล้วแต่บางทีพอเห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้ก็เกิดความโลภอยากได้ขึ้นมา ก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าอย่าไปไปอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความไม่โลภอยู่กับความไม่อยากดีกว่าถ้ามีปัญญาก็จะคอยกําจัดความโลภความอยากต่างๆที่โผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะหายไปหมดพอหายไปหมดแล้วจิตก็สะอาดบริสุทธิ์จิตก็เป็นนิพพานขึ้นมา ในเคือสิ่งที่เราต้องทำกันเพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆตาจริงมันไม่ยากเลยถ้าเราทำกันจริงๆเพียงแต่ว่าเราถูกกิกเลสมันหลอกให้เราไปทำเรื่องอย่างอื่นกันเสียมากกว่าก็เลยไม่ได้มาทำกายให้สงบกันอย่างเต็มที่ ต่อการจะทำใจให้สงบนี้ต้องสละทุกอย่างต้องตัดทุกอย่างไปต้องไปอยู่คนเดียวไปที่สงบสงัดวิเวกอย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านกระทำกันหลวงปู่มั่นท่านไปอยู่เชียงใหม่ของเดียวเพราะถ้าอยู่ร่วมกับปู่คณะมันก็มีภาระต้องคอยดูแลช่วยเหลือกั น, บนอบรมสั่งสอนกัน จนตัวเองไม่มีเวลาที่จะภาวนาจึงต้องทิ้งทุกอย่างไปครูบาอาจารย์ทุกรูปไปศึกษากับครูบาอาจารย์เสร็จแล้วก็ต้องไปปีกวิเวกกันตอนต้นก็ไปศึกษาก่อนว่าการภาวนานี้ทําอย่างไรทําอย่างไรถึงทําให้จิตสงบนทำอย่างไรถึง ท, งทําทให้เกิดปัญญาขึ้นมาพอรู้แล้วก็ต้องไปปฏิบัติ ต้องไปอยู่คนเดียวเพราะจะได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพราะว่าการต่อสู้กับกิเลสตัณหาอันี้มันต้องต่อสู้กันอย่างต่อเนื่องมันต่อยเราทุกเวลาถ้าเราไม่ปฏิบัตินี่เราก็ถูกมันต่อยด้านเดียวถ้าเราอยากจะต่อยมันเราก็ต้องปฏิบัติเราถึงจะทำลายมันได้ เวลาใดที่เราไม่ปฏิบัติเนี่ยเวลานั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกิเลสไปเดี๋ยวจะโลภอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้เดี๋ยวก็กังวลกับเรื่องนั้นกังวลกับเรื่องนี้เดี๋ยวก็ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เดี๋ยวก็วิตกกับเหตุการณ์นั้นนี่ตกกับเหตุการณ์นี้มันเป็นเรื่องของกิเลสตลอดเวลาถ้าเราไม่ปฏิบัตินีถ้าปฏิบัตินี้เราจะไม่มีสติคอยกาจัดมัน มันจะห่วงก็หยุดมันพุทธโธพุทธโธไปมันจะกังวลกับพุทธโธพุทธโธไปมันจะคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้กับพุทธโธพุทธโธไปนั่นแหละทำ ม, มันถึงจะก้าวหน้าต้องปฏิบัติกันทุกลมหายใจเข้าออกเลยอย่างที่พระเจ้าสอนพระอานอนุ์ว่าต้องพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกนะมันถึงจะฆ่ากิเลสได้ กิเลสมันคิดว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆจะไปหานู่นหานี่ได้ตลอดเวลาพอมันคิดถึงความตายปั๊มนี้กิเลสมันจะหดเลยมัวาหาเดี๋ยวก็ตายแล้วหาไปทาไมหามาแล้วเอาไปได้หรือเปล่ามีอะไรที่เราหามาแล้วเราเอาไปได้บ้างไม่มีเล ย, ายลาภยศสรรเสริญลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราหากันนี่ เอาไปไม่ได้สิ่งที่เอาไปได้ทาไม่เอากันทำเนี่ยเป็นของที่เอาไปได้ศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยเป็นธรรมที่เร า, เาติดตัวไปได้เป็นธรรมที่ทำให้จิตใจของเราสงบทาเป็นจิตใจทำให้จิตใจของเรามีความสุขเป็นธรรมที่ดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้ เรากลับไม่สร้างกันไม่ทำกันเพราะเราไม่รู้เราไม่ได้ศึกษาอย่างอย่างถ่องแท้พอฟังพอหองปากหองคอแล้วก็ทำพอหองปากหองคอวันหนึ่งก็อาจจะทำวัดเช้าเย็นอย่างนี้เป็นต้นตื่นขึ้นมาก็ไหว้พระสวดนวนนั่งสมาธิกันเสร็จแล้วก็ไปทำตามความโลภความอยากต่าง เย็นกลับมาบ้านก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์กันก็ยังดีดีกว่าไม่มีการไหว้พระสวดมนต์ไม่มีการนั่งสมาธิเลยอย่างน้อยก็มีการทําทานมีการรักษาสี่ห้ามีการไหว้พระสวดมนต์อย่างนี้ก็ยังเป็นพื้นฐานของการทําความดีอยู่แต่ยังไม่พอเพียงต่อการหลุดพ้นต่อการไปสู่พระนิพพาน ได้อย่างมากแค่แค่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเราทำบุญทำทานรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์เป็นนิจศีลแล้วก็มีภารกิจเช้าเย็นไหวพระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมอันนี้ก็จะเป็นการหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีน้ำแห่งธรรมไว้รักษาใจไม่ให้เหี่ยวเฉาไม่ให้ตกไปในที่ต่ะ แต่มันยังไม่พอเพียงต่อการที่จะทำให้ใจนี้เจริญแบบตัตออกมรรคออกผลขึ้นมาออกพัะนิพาน์าขึ้นมาการที่จะให้ใจของเรานี้ออกมรรคออกผลออกนิพานนี้เราต้องภาวนาต้องเป ก, กวิเวกต้องไปปฏิบัติอยู่ตามลำพังต่อสู้กับกิเลสทุกลมหายใจเข้าออก กิเลสมันจะคอยดึงใจเราไปคิดทางโลกโกรธหลงเสมอเราจึงต้องใช้สติธรมคอยดึงมันกลับมาดึงกลับมาไม่ให้มันดึงเราไปทางความโลภความอยากความโกรธความหลงใช้พุโทโธพุโทโธดึงไว้ถ้ามีพุโทโธพุโทโธดึงไว้มันจะไม่สามารถที่จะไปโลภไปอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้หรือไปโกรธกับคนนั้นกับคนนี้ได้ หรือไปนีโตกับเรื่องนั่นรเรื่องนี้ได้ถ้าเรามีสติมีพุทโธดึงมันมาแล้วเราก็พอเรามีพอเรามีเวลานั่งได้เราก็นั่งเลยเพราะจะทําให้จิตนิ่งสงบเต็มที่นี่ต้องนั่งเฉยๆถ้าร่างกายยังทําอะไรอยู่นี้จิตจะนิ่งไม่ได้เพราะจิตเป็นตัวทําให้ร่างกายทําอะไรต่างๆนั่นเองก็อยากให้จิตปลุนเป็นสมาธิ ก็ต้องนั่งหลับตาแล้วก็ใช้พุทธโธดึงจิตไว้อย่าปล่อยให้มันไปตามกำลังของกิเลสตัณหาต่างๆหรือจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้แล้วแต่จะถนัดบางคนก็พุทธโธไปอย่างเดียวไ ม, ไ, ไม่ได้ดูลมบางคนก็ดูลมอย่างเดียวไม่ได้พุทธโธบางคนก็ใช้สองอย่างปนกันพุทเข้าโทออก ไม่ได้ทั้งนั้นแล้วแต่จะถนัดข้อสำคัญก็อย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าให้ไปโลกไปอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าให้ไปวิตกกังวลกับคนนั้นคนนี้นะให้อยู่กับพุทโธไปให้อยู่กับลมหายใจไปแล้วจิตมันก็จะรวมได้เวลาจิตรวมแล้วก็จะพบกับความสุขของพระนิพพานแต่เป็นความเป็นพระนิพพานชั่วข้าว เพราะว่ากิเลสตัณหายังไม่ได้ตายไปจากใจเพียงแต่ถูกลังับไว้ถูกกดไว้เหมือนหินทับกญ้าห็นทับหญ้าไว้หญ้าไม่ตายแต่หญ้าก็ไม่งอกงอกไม่ได้แต่เวลายกหินออกปั๊บเดี๋ยวหญ้าก็งอกขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะให้หญ้าตายก็ต้องถอนรากโคนมันถอนรากมันออกมาจากดิน ถ้าถอนรากมาแล้วมันก็ตายมันจะไม่งอกอีกต่อไปรากเงาของกิเลสตัณหาก็คือความหลงนี้เองความหลงที่คิดว่าการทําตามความโลภความอยากนี้จะทําให้เรามีความสุขกันเราเลยต้องเอาถอนรากเงาคือความโง่ด้วยปัญญาว่าการทาความอยากทำตามความอยากทาตามความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจ ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขให้กับใจการสร้างความสุขให้กับใจก็คือการไม่ทำตามความโลภทไม่ทำตามความอยากตา่างอันนี้เราต้องใช้ปัญญาถ้าเราอยากจะกาจัดกิเลสตัณหาให้มันตายอย่างถาวรสมาธิหรือสตินี้กดเอาไว้เท่านั้นเองพอออกจากสมาธิมาพอปล่อยให้คิดปรุงแต่งปับ๊บมันก็จะคิดไป กิเลสนั่นก็จะผล่ขึ้นมาทันทีเดี๋ยวก็โลภอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ขึ้นมาพอโลภปั๊บก็ต้องใช้ปัญญาว่าสิ่งที่ได้มามันเป็นทุกข์นะเพราะว่ามันไม่มันเปลี่ยนได้นะวันนี้มันตอนที่ได้มามันดีเดี๋ยวไม่กี่วันมันเปลี่ยนเป็นไม่ดีก็ได้นะของที่ซื้อมาใหม่ๆมันก็ดีใช้ไปไม่กี่วันเดี๋ยวมันเสียขึ้นมาก็ได้น พอเสียก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องมาปวดหัวกับการเอาไปซ่อมบางทีซ่อมแล้วซ่อมกี่ครั้งมันก็ยังเสียอยู่นะันซ่อมแล้วกลับใช้ได้ไม่กี่วันเอากลับเสียอีกแล้วเดี๋ยวมันอย่างนี้มันก็ปวดหัวแล้ว <c oughs> แล้วถ้าหายไปหรือถ้าพังไปก็ยิ่งไปกันใหญ่นี่คือวิธีใช้ปัญญาให้เห็นของทุกอย่างว่ามันไม่เทีย่ยง มันทำให้เราทุกข์ให้เราวุ่นวายใจเพราะเราจะต้องคอยมาซ่อมมาดูแลรักษามันแต่ให้เราดูแลให้ดีขนาดไหนสักวันหนึ่งมันก็ต้องพังไปหรือไม่สักวันหนึ่งเราก็ต้องจากมันไปนี่คือการใช้ปัญญาเพื่อที่จะทำลาย ตันหาความโลภความอยากต่างๆที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นวุ่นวายที่ทำให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายกันก็คือความอยากต่างๆนี้ออยากในรูปเสียงกลิก่นรสอยากมีนั่นมีนี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากไ ม, นนไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้ความอยากต่าง ๆ, ๆเหล่านี้มันจะทำให้จิตของเราต้องไปหาสิ่งต่างๆมา การจะหาสิ่งต่างๆได้ก็ต้องมีร่างกายพอร่างกายนี้ไม่มีร่างกายนี้ตายไปจิตก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่จิตก็เลยไปเกิดใหม่พอเกิดใหม่ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ต้องมาอุ่นวายกับการเลี้ยงดูเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันนี่คือโทษของการทำตามความอยากต่างๆ เราเห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขสุขก็คือให้อยู่เฉยๆให้ระงับดับความอยากระงับดับความโลภพุโทโธพุโทโธไปทวใจสงบความโลภหายไปใจก็เบาสบายถ้าเราไม่ทำตามความอยากไปเรื่อยๆต่อไปความอยากมันก็หมดกําลังถ้าเรารู้ว่ามันเป็นโทษเราจะไม่กล้าทำ แต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเราจะทําให้เราต้องทุกข์เราจะไม่ทํากันแต่เราไม่รู้กันเราคิดว่ามันเป็นสุขกันจะมารู้ก็สายไปเสียแล้วแต่ก็ไม่เก็บเดี๋ยวพอหายทุกข์แล้วก็ไปหามาใหม่ <c oughs> นี่คือวิธีการต่างๆที่จะทําให้จิตใจของเราเข้าสู่พระนิพพานต้องทํากันไปเป็นขั้นเป็นตอน เพราะมันเป็นสิ่งที่สนับสนุนกันเหมือนขั้นบันไดเราเดินบันไดนี้เราต้องก้าวจากขั้นที่หนึ่งไปสู่ขั้นที่สองขั้นที่สามไม่มีใครกระโดดขึ้นไปขั้นที่สี่ขั้นที่ห้าเลยเพราะมันเป็นไปไม่ได้มันยากมันต้องก้าวไปทีละก้าวการถึงสอนให้เรามีความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของความดีจะทําทให้เรา มีความเสียสละจะมีทาให้เราอยากจะทำความดีกันพอเรามีความอยากทำความดีมีฉันทะวิริยะเราก็จะทำทานกันตามที่พระเจ้าสอนทำทานกันรักษาศีลห้ากันไปก่อนแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเช้าเย็นไปทอมไว้ก่อนหัดไว้ก่อน พราะเวลาเริ่มต้นนี้เรายังมีภารกิจการงานต่างๆที่ยังต้องทําอยู่แต่ถ้าเราเป็นคนที่ว่างงานไม่มีภารกิจอะไรนี้เราก็ไปภาวนาได้เลยไปบวชเลยไปอยู่วัดเลยไปศึกษากับครูบาอาจารย์เลยแต่ถ้าเรายังมีครอบครัวหรือมีภาระต่างๆที่ต้องที่ต้องรับผิดชอบอยู่เราก็ค่อยๆ ปลูกฝังนะทำตามเวลาที่เรามีกันเราไม่มีเวลามากเพราะเราต้องไปทํามาหากินไปทํางานทําการเราก็จะทําได้แต่ช่วงเช้าตอนก่อนที่เราจะไปทํางานกันเราก็มาปลูกฝังจิตใจให้รู้จักการเจริญสติการภาวนาด้วยการไหว้พระสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิกันไปด้วยการฟังเทศฟังธรรม เพื่อจะได้รู้ว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นปฏิบัติอย่างไรมีธรรมเตือนใจไม่ให้หลงไปกับกระแสของกิเลสตัณหาต่างๆแล้วเราก็ไปทำงานทำการกันกลับมาบ้านกินข้าวพักผ่อนกินข้าวแล้วก็ก่อนจะนอนก็มาปฏิบัติธรรมกันต่อนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมกันแล้วก็นอนพักผ่อนไป ก็ทำได้เท่านี้ถ้าเรายังมีภารกิจการงานต่างๆแต่ถ้าเราไม่มีภารกิจหรือเราสามารถตัดภารกิจต่างๆได้เราก็ไปอยู่วัดไปศึกษาจากครูบาอาจารย์กันไปปฏิบัติกันแล้วมันก็จะทำให้เราได้ก้าวเข้าสู่การปฏิบัติเต็มรูปแบบ เพรการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้มันต้องปฏิบัติแบบเต็มรูปแบบเท่านั้นถ้าปฏิบัติแบบมือสมัครเล่นนี้มันสู้มืออาชีพไม่ได้ครับเวลาแข่งขันกีฬานี้ก็มีแต่มืออาชีพนที่ได้ได้รางวีรางวัลกันมือสมัครเล่นนี้ก็เป็นการออกกําลังกายกันเสียมากกว่าไม่ได้หวังเอารางวีรางวัลอะไรกัน แต่พวกมืออาชีพนี้เขาต้องการรางวัลกันเขาก็เลยไม่ทำอะไรเขามีแต่ซ้อมกีฬาอย่างเดียวถือการซ้อมกีฬาเป็นอาชีพของเขาไปพวกที่ต้องการไปนิพพานก็ถือการภาวนาเป็นอาชีพไปเป็นนักบวชไปการเป็นนักบวชจะทำให้เรามีเวลาที่จะทำให้เราเป็นมืออาชีพในการภาวนาได้ เราจะสามารถจเจริญสติได้ตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลาเราหลับไปถ้าเราสามารถจเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องการนั่งสมาธิทาใจให้สงบก็ไม่ได้เป็นของยากเกินอะไรแล้วเมื่อเรามีสมาธิเราก็จะมีกำลังที่จะสามารถฝืนความอยากต่างๆได้ถ้าปัญญาเตือนเราว่าอย่าไปทาทาแล้วเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขนะ เราก็จะตัดความอยากตัดความโลภต่างๆได้ความโลภความอยากก็เป็นต้นเหตุของความโกรธถ้าไม่มีความโลภความอยากมันก็จะไม่มีความโกรธแล้วถ้ามีปัญญามันก็จะไม่มีความโลภความอยากความหลงก็จะไม่มีถ้ามีปัญญาความหลงก็มีไม่ได้ความหลงกับปัญญานี้มันเป็นของตรงกันข้ามกันเหมือนความมืดกับความสว่าง ความหลงนี่เป็นเหมือนความมืดแต่ปัญญานี่เหมือนแสงสว่างที่ไหนมีแสงสว่างที่นั่นก็จะไม่มีความมืดที่ไหนมีความมืดที่นั่นก็ไม่มีแสงสว่างถ้ามีความหลงก็จะไม่มีปัญญาพอไม่มีพอมีความหลงไม่มีปัญญามันก็จะโลภโกดไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่พอมีแสงสว่างแห่งธรรมเข้ามามีปัญญาเข้ามาเตือนใจเราว่า ทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์นะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเรามันจึงทําให้เราทุกข์ถ้าเราเห็นอย่างนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะไม่อยากได้ไม่อยากเพราะได้มันแล้วมันจะทําให้เราทุกข์เวลามีอะไรมันต้องทุกข์กับสิ่งที่เรามีเสมอมีทรัพย์ก็ต้องทุกข์กับทรัพย์มีมีบุคคลนั้นบุคคลนี้เป็น คู่คก็ต้องทุกข์กับเขามีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกมีอะไรก็ต้องทุกเพราะว่าเขาจะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการเสื่อมมีการดับไปนั่นเองนี่คือเรื่องของการปฏิบัติมันต้องแบ่งเป็นสองภาคภาคแรกเรียกว่าสมถะก่อนที่จะไปวิปัสสนาปัญญาได้เอาใจให้นิ่งให้สงบให้ได้ก่อน ด้วยการหมั่นเจริญสติพุทโธไปหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าควบคุมขารคิดได้เวลานั่งสมาธิใจก็จะรวมเป็นสมาธิเป็นอุบเบกขาขึ้นมาพอใจมีอุบเบกขาแล้วก็จะมีกำลังไว้เอามาสู้กับกิเลสได้ก็ดึงใจมาคิดทางไตรลักอยากได้อะไรก็ดูเส ว, ว่ามันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขกนะันแน่ ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกกับสิ่งที่เราได้ขณะที่อยากได้ก็ใจก็วุ่นวายแล้วอยู่ไม่เป็นสุขแล้วเพราะฉนั้นพออยากปั๊บต้องหยุดมันเลยถ้าอยากจะให้ใจเราสงบเหมือนเดิม <c oughs> อันนี้จะเห็นชัดเวลาจิตมีสมาธิแล้วเวลาเกิดความอยากนี้ใจมันจะกระเพื่อมขึ้นมามันจะรู้ว่าอ๋อใจเราเริ่มวุ่นวายแล้วเริ่มวิตกเริ่มกังวลแล้วพอเราหยุดความอยากปับ๊บ ความหวั่นไหวความ ว, ว, วามมิตกกังวลกะวกังวลกวายต่างๆก็จะหายไปพอความสงบกลับมาความสุขก็กลับมาเอาความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าอย่าไปเอาความสุขที่ได้จากลัดราบยศเสริญจากรูปเสียงเก่งงดเพราะมันเป็นของชั่วข่าวะในที่สุดมันก็ต้องหมดไปดูคนตายเป็นตัวอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีอยู่เคยมีอยู่นี่หมดไปละแม้แต่ชื่อแม้แต่ตำแหน่งก็ยังหมดไปเดี๋ยวนี้นายหลวงเราก็เรียกนายหลวงไม่ได้แล้วต้องเรียกอีกแบบหนึ่งแล้วเห็นไหมเพราะนี้มีนายหลวงคนใหม่ขึ้นมาแล้วถ้าจะเรียกนายหลวงคนเก่าก็ต้องเรียกว่าคนไหนต้องบอกชื่อ <c oughs> จะไปเรียกนายหลวงเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้ว ลาบยศสารเสริญมันต้องหมดไปไม่ว่าจะสูงกระดาษไหนระดับไหนระดับประธานาธิบดีนะระดับนายกรัฐมนตรีระดับพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินมันก็ต้องมีวันหมดให้เราเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราแล้วเราก็จะไม่อยากได้อะไรไม่พอไม่มีความอยากเราก็อยู่สบายไม่มีอะไรมากวนใจ ความอยากนี่แหละเป็นตัวกวนใจเราทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขกัน <c oughs> นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันพระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเป็นวิธีที่จะนำไปสู่ความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันงดนั่นก็คือความสุขพานิพาน ขอให้เรามีศรัทธาความเชื่อแน่วแน่ต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อคำสอนของพระอริยสงสาวกทั้งหลายแล้วพยายามปฏิบัติตามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พยายามปฏิบัติไปเรื่อยแล้วมันจะเพิ่มไปได้เองกำลังมันจะมีมากขึ้นเองเหมือนกับเด็กเรียนหนังสือเรียนไปเรื่อ ย, เ, อยเดี๋ยวมันก็ขึ้นชั้นสูงขึ้นไปเรื่อ ย, อยจากอนุบาลเดี๋ยวก็ไปชั้นปถม พอจบประถมก็ไปชั้นมัธยมต่อจบชั้นมัธยมมันก็ไปสอบเข้าเอ็นกันเข้ามาหาลาัยกันแล้วเดี๋ยวก็จบปริญญาตรีโทเอกกันมันอยู่ที่การเรียนอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติการศึกษาอย่างต่อเนื่องก็จะนำเราไปสู่ทำขั้นต่างๆจากทานก็ไปสู่ศีลจากศีลก็ไปสู่ภาวนาจากภาวนาก็ไปสู่มรรคผลผนิพพาน สู่การหลุดพ้นอันนี้เป็นของที่ทุกคนทำได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นนักบวชถึงจะทำได้เป็นคารวะก็ทำได้เป็นผู้หญิงก็ทำได้เป็นผู้ชายก็ทำได้เพราะจิตนี้มันไม่ได้เป็นหญิงมันไม่ได้เป็นชายมันไม่ได้เป็นคารวะมันไม่ได้เป็นผู้คองเรือนหรือเป็นนักบวชมันเป็นจิตเหมือนกันมันเป็นตัว ที่มีความคิดปรุงแต่งตัวรู้ตัวคิดแต่ตอนนี้มันถูกอำนาจของกิลเลสตัณหาดึงไปให้ไปเวียนว่ายตายเกิดให้ไปผลิตความทุกข์ต่างๆขึ้นมาเราจึงต้องเอาธรรมเข้ามาดึงมันกลับมาดึงให้มันกลับเข้าไปสู่ความสงบสู่ความความสุขนี่ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราจะไม่รู้กับวิธีที่จะทาให้ใจเราสงบ วิธีที่จะตัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆตอนนี้เราโชคดีได้มาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระอริยสงฆ์สาวกต่างๆของครูบาอาจารย์ต่างๆกันขอให้เราศึกษากันแล้วพยายามปฏิบัติกันแล้วผลต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่พวกเราจะได้รับกันต่อไปอย่างแน่นอน การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลายังขอยุตติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผรอยาทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสะกลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติ อิจิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจัโตสัพเพปเริงโสังกปาจันโทปนะหราโสยธามณีโชติหราโสยธาสัพพีติโยวิวัจจันโตสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโภวะ อาพิวาธานสีลิตะนิจังุตตาปจายนโนจตารธรรมะวะทานติอายุวโนโสุขังภาลางังใครยังไม่ได้ถวายข้าวของหรือยังไม่ได้รับหนังสือซีดีก็เข้ามาได้นะอโอกาสถวายกันทนครับ โ, โม่นั่นเนาะ มีหนังสือ c ีดีนะมีหนังสือประวัติหลวงปู่ขาวหลวงตาเป็นคนเขียนไนวะ้อของเจอเลยครับ หรือซีดีได้นะการประกาศเรี่ยามมานทำนะครับกรณี้เราไป็ําำรวจนี่เราจับคนร้ายนี่ยมันบาปไหมครับไม่บาปคร อ, อบแค่ไม่บาปไม่ได้ไปฆ่าเขาเลยนะแต่ถ่าฆ่ามันก็บาปอยู่ใช่ไหมครับอ่าบาปแต่มันบาปน้อยบาปไม่เหมือนกับไปไปป้นเขาแล้วไปจี้ไปฆ่าคนที่เราไปป้นไปจี้เราถือว่าเราทําตามหน้าที่มัเออมันทําตามหน้าที่แต่มันก็ยังบาปอยู่มันก็ยังมีอยู่ อแต่มันไม่ร้ายแรงเหมือนกับการที่เราไปอ่ไปป้นไปที่แล้วไปฆ่าคนอื่นอย่างนี้อย่างนี้นนนมันร้ายแรงกว่าอันนี้เราทําหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัยของสังคมก็แบ่งกันคนพวกเราที่เป็นประชาชนจ้างเราก็มีส่วนรับรับผลบาปอันนี้ด้วยเพราะเราจ้างให้เราแบบนี้ก็เราสั่งให้คุณไปฆ่าไงได้ไหอ นั้นก็แบ่งกันคนละนิดคนละหน่อย <c oughs> คนเป็นล้านมาแบ่งกรรมที่เราทํามันมันก็แล้วไม่หนักแต่ถ้าเราทําเพื่อตัวเราคนเดียวนี่มันหนักบางทีก็สงสัยว่าเฮ้ยเวลาเราต้องป้องกันตัวอย่างนี้มันก็จริงเราไม่จริงออนี่ก็บามันเป็นกรรมผูกพันกันเ้ยครับก็มันอาจจะจองเวรจองกรรมกันได้ <c oughs> ไม่มีอะไรต้องสื้อกูหมดครับยังเอ่ยก็ได้เนี่ยมีอะไรก็หยิบออกมาได้เอหนังสืออื่นก็มีนี่ น, น, นะเอาเท่าที่มีตรงนี้ก่อ<ห>นนะแล้วเดี๋ยวไปดูของเอาวางไว้ไเผื่อขยากได้ อยากจะถามอะไรไัย้ยโยมอยากจะมาขอคำแนะนำาให้ปฏิบัติที่แบบเหมือนกับถูกช่องทางจากที่โยมคิดเอาเองใช่เมื่อครั้งก่อนโยมเคยมากราบหลวงพ่อนะก็เล่าถึงการเจริญสมาธิให้หลวงพ่อฟังว่าทุกครั้งที่จิตรวมเนี่ย จิตรวมแบบเป็นสัมมาสมาธิคือเวทนาหายลมหายใจหายพุทโทหายกายหายแล้วแต่จิตเป็นตัวโล ก, ก็จะเห็นตัวเองเนี่ยอยู่ในอิริยาบถต่างๆซึ่งเส็บมาเป็นสิบปีหลวงพ่อก็บอกว่าหยุดได้แล้วให้ปัสสนาโดยพิจารณากายในหรือกายนอกก็ได้ กลับไปบ้านโยมก็พยายามทําตามคำแนะนําของหลวงพ่อนะเจ้าค่ะก็พิจารณากายในพรารู้สึกว่าจะถูกกระจริ่ตัวเองก็มองเห็นตัวเองเนี่ยตายแล้วจำเป็นอสุภอสุภังเป็นกระดูกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะก็มีอยู่วันก็นั่งสมาธินั่งสมาธิมันก็เกิดเวทนามากเลยก็บอกจิต ก, ก็บอกกับตัวเองว่า เวทนาอันนี้ยไม่สนใจหรอกนะเพราะว่าฉันเคยผ่านเวทนาตายมาแล้วนะวันเนี้ยฉันจะวิปัสสนาละพอแค่จิตคิดมันก็เป็นอัตโนมัติทันทีก็คือเวทนาหายกายจิตหายเวทนาหายลมหายใจหายผู้โทหายเหลือแต่จิตที่เป็นตัวรู้ไปเห็นตัวเองอะนอนตาย นอนตายก็มองไปสภาพศพก็เป็นไปตามสภาพนะเจ้าค่ะจนกระทั่งมันอืนแล้วก็ท้องแตกไส้พงไหลออกมามีน้าเลือดน้าหนองมีนอนขึ้นขณะนั้นจิตก็บอกตัวเองว่าเราเดินไปใกล้ๆสิลองไปดูสิเป็นยังไงโยมก็เดินในจิตบอกนะเจ้าค่ะโยมก็เดินไปดูก็เห็นตัวเองก็มองไปเร้่ลยๆ ไปเห็นทุกอย่างที่เป็นที่เห็นอยู่นะเจ้าค่ะพอมาถึงคอก็มองคอพอมาถึงใบหน้าโยมก็มองใบหน้าก็อบอกแม่นี่เราหรือหน้าตาเป็นอย่างนี้ในตาสองข้างอะ่กะก็เดินไปคนละทิศละทางเลยนะเจ้าค่ะโยมก็บอกมองเสร็จก็พิจารณาขึ้นไปเรื่อยๆผ่านจมูกจนมาถึงไลาผมพอถึงไลาผม มันเหมือนที่อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่ามันเร็วเหมือนงูงแลบเลยนะ่ะผมเนี่ยมันก็หลุดไปทั้งศีรษะเนื้อเนลำตัวก็หลุดออกไปหมดหลุดแบบไม่เหลือซากหายหมดเลอแต่โครงร่างเป็นกระดูกนอนขาวอยู่อย่างนั้นเสร็จแล้วโยกก็เลยจบสมาธิแค่นั้นทีนี้ก็คุยกับเพื่อนๆที่ปฏิบัติธรรมอ่ะ บางคนก็นแนะนําบอกว่าให้หักกระดูกเนี่ยของเราเองเนี่ยมาดูแล้วก็พิจารณาในกระดูกว่ามันยังมีน้ําเลือดน้ําหนองหรืออะไรโยมก็พยายามทําตามวันนั้นก็มีการหักกระดูกตัวเองกองเป็นเหมือนภูเขาเล็กๆเสร็จ แ, แล้วก็พิจารณากระดูกนะเจ้าคะพอพิจารณาทําสมาธิพิจารณาอเออพอพิจารณาปุ๊บเนี่ย กองกระดูกนะั่นอยู่ก็หายไปหายไปแล้ววิ่งกลับมาโยมก็เลยคิดตัวด้วยตัวเองว่าวิธีนี้น่าจะไม่ถูกก็ติดปัญหาอยู่วันหนึ่งก็ไปชงเครื่องดื่มที่เป็นเหมือนเจลลี่อย่างเงี้ยเป็นกระดูกสักที่เราปนตะละเอียดวันหนึ่งปปัญญาก็เกิดขึ้นมาขณะนั้นว่าเอ๊ะถ้าเปิดครงกระดูกที่เรานอนของเรานอนอยู่เนี้ย เมื่อการเวลาผ่านไปเนี่ยกระดูกมันย่อยสลายจนเป็นผงแล้วเนี่ยน ะ, ะแล้วก็เกิดปฏิหารมีไฟลูกไหมกระดูกรองนะฮะแล้วก็พอลูกไหมหมดเป็นเท่าถ่านก็เกิดมีลมพา ย, ยุพัดพัดก็ละอองเท่ากระดูกปลิวไปปลิวไปฝนตกมาชะล้างกระดูกจนสะอาดไปหมดอันนั้นก็ไปอยู่ในดินหมดละ นี่คือสิ่งที่โยมคิดของโยมเองว่าอย่างนี้จะเป็นแนวทางที่ถูกไหมที่ว่าจะพิจารณาให้เป็นธาตุตีนน้ำลงไฟแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากก็มองคิดๆไปอย่างนั้นอยู่จะได้โอกาสมันนี้ก็จะมากาบเรียนว่ า, วามันจะมีแนวทางอันไหนที่จะชี้ให้โยมปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นนะเจ้าค่ะก็นั่นแหละถูก็แล้ว มันก็ไปจบที่ดินน้ำลมไฟเนี่ยร่างกายมันมาจากดินน้าลมไฟในที่สุดมันก็จะกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟเพียงแต่ว่าเราต้องเอามาใช้ทุกเวลาเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเนี่ยตอนนี้เราอยู่กับร่างกายเราต้องใช้ปัญญาเตือนเราว่านี่เป็นเพียงดินน้ำลมไฟอย่าไปรักอย่าไปหวงอย่าไปหวงมัตอนนี้ยังรักยังหวงยังหวงอยู่เปล่าก็ท๊ พูถึงครงกระดูกหรือตัวเราเองเดี๋ยวนี้ร่างกายเราตอนนี้ร่างกายตัวเราเองอเราก็ยังเหมือนกับยังรักยังโหยยังรักยังโหยยังดูแล<ห>ก็ยังก็ ต, ต้องต้องดูว่ามันเป็นดินน้ําลมไฟมันจะต้องกลายเป็นดินน้ําลมไฟไปไม่ว่าจะดูแลดีขนาดไหนถึงเวลามันก็ต้องกลับไปสู่ดินน้ําลมไฟเป็นอย่างที่โยมเห็นในสมาธินั่นแหละนั้นคือปัญหาคืออย่าให้ไปทุกข์กับร่างกายในขณะที่เรายังมีมีมันอยู่ ดูแลมันไปเลี้ยงมันไปตามอัตภาพแต่อย่าไปทุกข์กับมันถ้าไม่มีกินก็อย่าไปทุกข์กับมันไม่มียารักษารักษาไม่หายก็ไม่ต้องไปทุกข์กับมันนั่นคือเป้าหมายของการปฏิบัติตอนที่เราดูในสมาธิเป็นเหมือนการทำการบ้านตอนที่เจอของจริงมันเป็นทําำข้อสอบเนี่ยตอนนี้เราวิตกกังวลกับร่างกายแล้วเปล่าเวลาใดที่ <อ Please. S 2> เร า, า, เรายัางวิตกกังวลอยู่ก็แสดงว่าเราสอบตก ไม่เห็นว่ามันเป็นดินน้หลมไฟมันไม่ใช่ตัวเราของเรานี่ต้องให้เห็นตรงนั้นต้องเห็นตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งสมาธิพอออกมาปั๊บก็ลืมแล้วก็กลับมายึดมะติด ก, กับร่างกายเหมือนเดิมอันนี้ไม่ถูกต้องเอาความรู้ที่ได้จากการนั่งสมาธินี้มาใช้ในปัจจุบันนี้ตอนนี้เลยอันนี้ถ้าเกิดมีงูหล่นลงมาตรงนี้จะกัน กระโดดวิ่งขยับกันหรือเปล่าหรือว่าเออช่างมันมันก็แค่ดินน้ำลมไฟ น, นันะเกิดเป้าหมายของการพิจารณาเพื่อให้เราปล่อยวางร่างกายได้ทุกเวลานาทีไม่ใช่ปล่อยเฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิเวลาใครเขาจะมาเอาร่างกายเราไปข้าเขาปล่อยเขาไปเลย คือไม่ให้หัวง่ายกระกายกายหยาบนี่ใช่ไหมใชอนั่นแหละกายที่เราอยู่เนี่แหละมันเรายังจะต้องไปเพ่งกายที่เป็นโครงกระดูกอย่างที่เมื่อกี้ยูแล้วถวายไหมก็กายนั่นก็กายเดียวกับกายนี้ไม่ใช่เละกายเดีนั่นสิมันก็เหมือนกันทีนี้เราไปปล่อยกายนู้นแต่ไม่ปล่อยกายนี้เรามาปล่อยกายนี้สิอาไม่ปล่อยกายปัจจุบันนะัออได้ตัวที่ทําให้เราทุกข์ก็คือตัวปัจจุบันนี้ตัวอดีตมันผ่านไปแล้ว อันนั้นเป็นตัวตุ๊กตาให้เราซ้อมอให้เราทำการบ้านแต่ตัวของจริงเนี่ยตัวนี้ตัวที่เราอยู่กับมันในขณะนี้คือ<ะ>ตัวที่เรารักน่าหวงเนี่ยแต่ตรงนี้คือมันอยู่ที่จิตจิตก็ต้องคิดอยู่เรื่อยๆอยงไงไม่ใช่คิดแต่เฉพาะอยู่ในสมาธิคิดตลอดเวลาเลยเนี่ยไปเดินไปไหนมาไหนก็บอกกำลังพาโครงกระดูกไปกำลังพาดินน้าลมไฟไป ไม่ได้พาตัวเราของเราไปเราต้องแก้ความหมายความเห็นให้หมายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นแค่โคงกระดูกแค่เป็นอวัยวะสามสิบสองส่วนแค่เป็นดินน้ําลมไฟเดี๋ยวก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ําลมไฟไปใช่ไหมใช่ค่ะอ่า<ช>นั่นแหละเราจะไปต้องวลกับมันทำไมงั้คงกระดูกตอนนี้ยมปล่อยเลยนะคือให้ปล่อยทุกอย่างปล่อยร่างกายเนี้ยร่างกายที่กําลังคุยกันอยู่เนี้ย ถ้าเกิดมันจะตายตอนนี้ก็ให้มันตายไปเลยไม่ต้องไปทุกข์กับมันถ้าเปิดพูดถึงตัวเองจะตายก็คิดอยู่เสมอว่าพร้อมตายนะเจ้าค่ะใช่แต่ว่าเราก็ทําบุญให้ท่านทําทุกอย่างมาซะจนพอใจแล้วอยังหาทางออกที่ถูกต้องไม่ได้ก็เลยต้องมากรบเรียนถามปะ่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะก็นี่แหละทางออกที่ถูกต้องก็ต้องปล่อยกายนี้ปล่อยกายนู้นเป็นกายที่เรา เราจินตนาการขึ้นมาในใจเราเวลาเราพิจารณากายนะั้นเราจินตนาการคิดถึงอาการสามสิบสองต่างตอนนี้เราต้องมาดูของจริงคือตัวนี้แหละอาการสามสิบสองอยู่ตรงนี้แหละเวลาตัวนี้เป็นอะไรก็อย่าไปตืน่นเต้นตกใจไปกับมันเกิดมีมะเร็งโผล ข, ขึ้นมาที่ผิวหนังก็ไม่ต้องไปตืนต่นเต้นตกใจอย่างเกิดไปหาหมอหมอเป็นมะเร็งในลำไส้อ่ะเห็นก็เป็น เดี๋ยวมันก็ต้องไปสู่ซากศพสู่ดินน้าลมไฟในที่สุดอย่างอย่างความหมายของหลวงพ่อก็คือตอนนิยมต้องปล่อยวางใช่ไหมเจ้าคะอ่าก็ถ้าอยากจะวิปัสสนาอยากจะมีปัญญามันก็ปล่อยวางถ้ายังถ้ายังยึดติดมันก็ยังไม่มีปัญญายังไม่เป็นวิปัสสนามันยังเป็นวิปัสสน์นึกอยู่นึกในตอนที่เรานั่งสมาธิกันใช่ไหม ตอนนั้นยังไม่ได้เจอของจริงกันทำการบ้านเป็นการซ่อมถ้าเป็นนกน่วยก็เหมือนกับซ่อมชกกระอสอบทรายไปก่อนกระอสอบทรายมันไม่ต่อยกับเราก็เลยสู้มันได้เวลาขึ้นเวทีนี้มันไม่ใช่กระอสอบทรายมันนมันคนคู่ต่อสู้มันก็จะต่อยเรากลับเนี่ยคู่ต่อสู้เรากิเลสมันจะยึดไอ้ร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรามันจะรักจะหวงแต่เราต้องมาตัดความรักความหวง ความยึดความถือว่าเป็นตัวเราของเราตาดไม่ได้ตัดตรงนี้ตัดในปัจจุบันทำทั้งหลายมันอยู่ในปัจจุบัน เ, เกิดแก่เจ็บตายมันเกิดในขณะเป็นปัจในปัจจุบันนี้จะตายไม่ได้ตายวันนี้ อ, อวันพวกนี้หรือเมื่อร็วนี้หรือเมื่อวานนี้มันตายเดี๋ยวนี้ถ้ามันจะตายมันมันตายในปัจจุบันนั่ะ ตอนนี้นั่งอยู่เนี่ยมีงูหลงใ่าหมอันนั้นเราจะหวงกายไหมหรือไม่โยมมีความคิดว่าเราจะน่าจะมีความกลั ว, ล ว, วใจมากกว่าที่จะเออ่นึกถึงความตายในตอนนั้นมันจะเป็นความกลัวที่ขาดสติมากก็อยู่ที่คนแต่ละคนอันนั้นก็เป็นความ <c oughs> นั่นก็เพราะว่าโยมปฏิบัติได้แค่นั้นไง คนที่คนที่เขาปฏิบัติว่าเขาเขายอมตายได้ เ, เขาก็ไม่ได้คิดเหมือนเราเขาจะไม่กลัวเขาจะเฉยเฉยอย่างมากก็แค่ตายเขาเคยปล่อยร่างกายได้แล้วเขารู้ว่าปล่อยร่างกายแล้วมันสบายมันไม่ทุกไปยึดติดกับร่างกายมันกลับทุกไปตื่นเต้นตกใจในหวาดเสียวไหมเสียวเฉยเฉยก็กลัวอกลัวงูกัดกลัวตายงั้นเราต้องรู้ว่าการ การพิจารณานี่มันเป็นการทำการบ้านการเจอของจริงถึงจะเป็นวิปัสสนาจริงเป็นภาวนามย์ปัญญาตอนที่เราพิจารณามันเป็นจินตามายะปัญญามันต้องไปเจอของจริงเจอความตายกูบาอาจารย์ท่านหนึ่งต้องไปหาความตายกันในป่าในเขาไปหาเสือหาหมีหาสัตว์อะไรต่างๆอย่างหลวงปู่ชอบเดินยงกรมคยอ่านไวประวัติที่หลวงตาเขียน ท่านจะไปพิสูจน์ว่าปล่อยร่างกายได้หรือเปล่าออกไปจ้าเอ๊กับเสือปัอ๊บติดก็วุบเข้าไปข้างในเลยปล่อ ย, ป ล, อยปล่อยร่างกายอย่างนี้ถ้ า, าว่าขณะที่เราเล่นสมาธิแล้วมันมีนความรู้สึกอันนี้ขึ้นมาที่พี่เขาเล่าอ่ากับปัจจุบันเนี่ยถ้าหากเอามาใช้ในปัจจุบันสิลองใช้ปัจจุบันอันนั้นให้ปล่อยวางไปแล้วไม่เอาเอาอันนั้นที่เราทําได้เนี่ยเอามาใช้กับปัจจุบันบอ่า มือนก็เราเหมือนกัเราทาการบ้านแล้วเราการบ้านที่เราทำนี้ไปใช้เวลาเราไปสอบไงใช้ข้อสอบมันก็มาจะมันก็เป็นข้อสอบที่เราทำการบ้านกันอยู่นี่แหละข้อสอบก็คือให้เราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นดินน้ำลมไฟเดี๋ยวมันจะต้องกลายเป็นโครงกระดูกไปเดี๋ยวมันต้องตายไปห้ามมันไม่ได้นี่มาถึงเวลามันจะเป็นก็ให้มันเป็นไปเท่านั้นเองหใจที่ ตอนนั้นถ้ารับมันก็สงบถ้าไม่รับมันก็ทุกข์เ ด, ด่นหนีถ้าวิ่งได้ก็วิ่งกระโจนได้กระโจนเลยคนใหญ่วิ่ง <laughs> หลวงพอจะใช่อย่างนี้โยมยงัยงต้องทําสมาธิอยู่เสมอเสมอใช่ไหมก็ทํา อ, อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปหาข้อสอบจนกาลเราจะไปเจอข้อสอบต้องไปอยู่คนเดียวในปา่าหรือถ้าคืนน้องคืนเลย <laughs> เอไม่ไดโอกาสจะมา <laughs> อ ท, ที่ไหนกลัวก็ไปที่นั่นแหละไปแล้วดูว่ามันจะมันหายกลัวไหมถ้าหายกลัวมันก็ปล่อยแสดงว่ามันปล่อยถ้ายังกลัวอยู่มันก็แสดงว่ายังไม่ปล่อยครบพี่อาจารย์คือโยมเคยไปยที่บ้านตากมีอยู่คืนหนึ่งที่ไปนอนที่บ้านตากแล้วก็คืนนั้นฝนตกหนัก่าผ่าแล้วก็ยมก็เหมือนกับขี้เกียจก็นอน ไม่ได้นั่งสมาธิคื้นนั่งอยู่สักพักแล้วก็นอนในขณะที่โยงนอนโยงก็ได้ยินเสียงคนเดินบนจิตติป้าปในขณะที่คนที่นอนด้วยกันเขาไม่ได้ยินเลยแล้วยัก็ได้ยินเสียงต้นไม้เนี่ยเหมือนถูกฟ้าผ่าผ่าเป็นซีกแัดแยกออกจากกันีก็ในความรู้สึกตอนนั้นคือมูความกลัวมากทุกกลัวลว่าเฮ้ยทำไมเราได้ยินอยู่คนเดียวแต่คนอื่นเขาไม่ได้ยินเพราะว่าถักเขา ถามสกิจให้เขาตื่นขึ้ได้ยินไหมบอกไม่ได้ยินอะไรเลยลักษณะอย่างนี้คือเราได้ยินในจิตถูกไหมใช่จิตเราปรุงแต่งกันไปเองแต่ถามว่าปรุงแต่งไหมโยมคิดว่าโยมไม่น่าจะปรุงแต่งมันมันปรุงแต่งโดยที่เราไม่คิดว่าเราปรุงแต่งมันลึกเลยมันลึกมันได้กลายเป็นเหมือนนิมิตรผล่ให้เราเห็นไป แต่ความจริงความจริงมันมีต้นไม้ผ่าที่ไหนบ้างไม่มีมมนั่นอนนเลยก็มันก็อยู่ในจิตเราแล้วเสียงที่คนเดินเนี่ยก็ เ, เหมือนกันก็อยู่ในจิตเราทั้งหนแเลยเหมือนเร า, านอนหลับฝันเนี่ยเ แ, แล้วเราฝันมันก็เห็นเ ห, นเหตุการณ์ต่างๆหน่วยที่ไม่ต้องลืมตามันก็เป็นเหมือนความฝันแล้วเรียกว่านี่มิตต่างๆ่างแล้วถ้าฝันนี่เราไม่สามารถจะนึกได้ถูกไหมว่าเราจะฝันนั้นคือเรานึกไม่ได้แต่จิตมันนึกให้เราแทนไงอัตโนมัติไงเหมือนเป็นรถเกียร์ออโต้มันเปลดเกียร์ให้เรา เราไม่ต้องไปสั่งให้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยให้เราเองเแต่เรานอนหลับในจิตมันปรุงแต่งปรุงแต่งอะไรต่างๆขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้สั่งมันอาันี่ความคคิดอ่าาวมปรุงแต่งของจิตโดยที่เราไม่ได้ปุ๊สั่งให้มันปรุงแต่มันปรุงของมันไปตามตามอำนาจของบุญกรรมที่เราทําไว้กับเหตุการณ์ต่างๆที่เราทําไว้มันจะมาทําให้เราปรุงแต่งอะไรต่างๆขึ้นไป โดยที่ไม่ได้นึกคิดเนี่ยแต่จิตมันคิดของมันออ่าใช่เราไม่ได้สั่งมันคิดแต่มันคิดโดยธรรมาชาติเวลาเราเราลับก็มไม่ใช่ความจริงของเก่าบางทีก็ของเก่าบางทีก็ของจริงก็มีมันไม่แน่น ก, ก็นะต้องพิสูจน์ดูไงฝันเห็นเลขก็ไปแทงหวยดูเลย <laughs> <laughs> <laughs> ถ้ามันออกก็แสดงว่ามันของจริงถ้ามันไม่ถูกก็แสดงว่าไม่ใช่ของจริง ฝันว่าลืมข้าของไว้ตรงนู้นตรงนี้ไปเจอเข้าอ่ะอย่างนี้ก็เป็นของจริงได้ไม่ใช่เป็นความคิดที่จําได้ว่าไปวางตรงไหนแล้วะก็แล้วแต่ลนะก็แล้วแต่คุณเมื่อตอนนั้นคุณจําไม่ได้แล้วตอนฝันจําได้ก็แสดงว่ามันก็ อ, อาจจะเป็นความจําไปแต่ถ้าไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนแล้วมันไปเจออ่าไปเจอตามที่ฝันก็ได้ฉะนั้นก็ไม่รู้ละมัน คืออย่าไปถือเรื่องนี้ไม่ให้เป็นสาระมากเกินไปก็แล้วกันมันอาจจะจริงอาจจะไม่จริงแต่จะจริงก็ไม่จริงมันก็ไม่มาตาัดมันไม่ไปดับความทุกข์ดับกิเลสของเราได้ฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจมันเนี่ยใช่ว่าเวลารนั่งสมาธิแล้วไปเจอพวกนิมิตต่างๆนี่อย่าไปสนใจอย่าไปยุ่งกับมันนั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบเป็นอุบเบกขาที่อย่างเห็นแล้วมันไม่ไป ก็ใช้พุทโธหนึ่งกลับมาหนึ่งใจกลับมาใช้พุทโธพุทโธเดียวมันก็หายไปหมดใจสติพุทโธหนึงกลับมาหรือสติมีกําลังมากหยุดเู่ก็ให้มันหยุดไปได้กําหนดปุ๊บมันก็หยุดปั๊บไปเลยที่พุทโธแล้วแผ่เมตตาแล้วก็ยังไม่ไปอ่ะเก็ไม่เคยเจอใช่ปะก็พุทโธน้อยไปก็พุทโธต่อไป พุทโธไปกระทั่งมันเหมือนกินยากินเม่ดหนึ่งไม่หายก็กินอีกเม็ดหนึ่งกินอีกเม็ดกินไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็หายเองพุทโธบครั้งเดียวไม่หายก็อ่าบางทีก็ต้องใช้เวลาหน่อยมันแล้วแต่้พุทโธของแต่ละคนว่ามีพลังมากพลังน้อยบางคนอย่างที่เวลาเรานั่งสมาธิไปนานๆมันจะมันจะมีเวทนาใช่ไหมคะมันจะมีเวทนาเราก็รู้สึกว่าในบางบางวันบางครั้งที่สมาธิมันดีมันก็จะมีความรู้สึกว่า เวทนานี่มันแค่เป็นความรู้สึกเท่านั้นเองอ่ามันไม่เจ็บมันไม่ปวดร้าวที่ใจถ้าเจ็บปวดอาจจะเราก็ทนได้ใจห<ใ>นึ่งใ จ, นะ ใ, จใจไม่ปรุงแต่แตสติไม่พ อ, อว่าเรามีเวทนาเนี่ยจิตเรารู้สึกว่าจะดิ้นรนกลับไปเวทนานตรงนี้เพราะมันมีความอยากไงเพราเราอยากจะปล่อยมันอยากหายอยากหนีอยากมันไปแต่เราก็พยายามจะดูมันนะอยากจะดูมันก็อยากไปอยากให้ดูเฉยๆแต่ดูแล้วมันปรุงไงก็ใช้พุทโธหยุดมันไง ดูได้พุทโธพุทโธพุทโธไปนั่นมันก็จะไม่ปรุงแล้วอย่างบางบางบางขณะถ้านั่งสมาธิเริ่มนั่งเนี้ยมันเริ่มกําหนดอิดหรือว่ากําหนดลมอะไรเงี้ยมันรู้สึกเหมือนกับว่ามันมันบีบคั้นอ่ะปิเลมันต่อสู้ไงมันก็เลยบีบคั้นแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็สู้กับมันไปใช้คันเตะคันะดูกันไปอ่าใช่อย่าไปสนใจมันจะบีบก็ปล่อยมันบีบไปแล้วก็พุทโธของเราไปแล้วก็ภาวนาของเราไปเราคั้งนี่ต้องเป็น เกินครึ่งชั่วโมงนั่นแหละกว่าจะชนะกันหนึ่งเหมือนชักก็เยอะกันแล้วเหมือนกับเราจะท้อจะถอยอยู่เลยอ่าก็ต้องตามที่หลวงตาบอกสู้ไม่ถอยถ้ารู้ว่าเราจะชอบถอยนั่นเลยบอกสู้ไม่ถอยมันมันสู้สู้ถอยถอยเราถึงไม่เป็นเหมือนน้องตาเลยถ้าเราสู้ไม่ถอยเหมือนหลวงตาแบบนี้ล้วก็เป็นเหมือนหลวงตามันเป็นบางครั้งมันต้องสู้ไม่ถอย ถ้าถอยก็ต้องสู้ใหม่แต่จะมีอาการอย่างเงี้บ่อยออืถ้าการอย่างนี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆนี่มันกเราขาดสติไหมนั่นการสติกิเลสมันเลยมีกําลังแต่มีสติมันจะไม่ค่อยมีกําลังสู้หรอกเราขี้เกียจพูดโทกันเราขี้เกียจตั้งสติกัน <c oughs> ก็ปล่อยให้มันคิดไปหากิเลกกันที่จริงแล้วถ้าอย่างเราไม่กําหนดอะไรเลย คือ<ก>ว่าเราเราไม่ไม่กำหนดอะไรเลยเรานั่งแล้วมันก็แบบเฉยเฉยถ้ามันเฉยเฉยไม่ปรุงแต่งก็ไม่ต้องกำหนดอะไรก็ได้ก็ได้ใช่ไหมก็หมายถึงว่ามันก็อยู่ได <ใน S 2> ้ใหนสงบเขามาถ้ามันนิ่งมันสงบได้โดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรมันก็ปล่อยมันนิ่งสงบไปี่ก็ดีกว่าก็แล้ ว, วแตนะ่ที่ว่าดีกว่าที่เราจะต้องมาใช้บริกรรมอะไรไามถ้ามันนิ่งแล้วก็ไม่ต้องบริกรรมก็ไม่จำเป็นต้องใช้อ่าใช่ถ้ามันไม่นิ่งถึงต้องใช้่ เหมือนมันลิงถ้ามันไม่นิ่งก็ตีมันเลยตีมันไปเรืยเดี๋ยวมันเจ็บมันก็หยุดมันก็นิ่งเองแต่ถ้ามันอยู่นิ่งๆเราก็ไม่ต้องไปตีมันใช่ไหมพี่จินเธออะไรคะในกรณีของพีอหาถเผื่อว่าพอไอ้รวมลงไปแล้วเนี่ยการความกลัวหรือการรวมมันจะเกิดที่ครั้งเดียวแล้วต่อไปมันก็จะไม่มีอาการนี้อีกใช่ไหมคะก็จะไม่มีความกลัวที่จะตายถ้ารวมลงแล้วก็วาง แ้เราถ้าเรารู้ว่าการวางนี่มันทำให้เราหายกลัวทำให้เราสบายเราก็ไม่ต่อไปเราก็ไม่กลัวถ้าเรากลัวแล้วก็แล้วก็ทำให้มันรวมใหม่ทำให้มันปล่อยใหม่สอนไหมว่าอย่าไปยึดไปติดยึดติดแล้วมันทุกข์ปล่อยแล้วมันจะสบายอพอยอมปับมันก็จะหายกลัวยอมตายปั๊บมันก็จะหายกลัวพอคิดจะ ยึดติดปั๊บบวอยอมดีกว่าพอยอมปั๊บมันก็หายกลัวพอจะกลัวปั๊บก็ยอมเลยเอาแม้มันจะมันจะสู้กันแบบนั้นนะพอไปตกใจไปจะไปกลัวอะไรปั๊บมันบอกยอมดีกว่ายอมตายพอยอมปั๊บมันก็หายอาจารย์ในเคสนี้ที่ก็คือหมายความว่าต้องยอมรับความจริงะทุกอยอ่างยอมรับความแก่ความเจ็บความตาย แล้วมันจะไม่มันจะไม่มีความอยากที่จะทําให้จิตใจเรากรังวลกังวายวิธีที่จะปล่อยวางให้ได้มีวิธีไหมคะหลวงพ่อเราก็ต้องไปหาเหตุการณ์ที่จะบังคับให้เราปล่อยสิเช่นหะเรามาของเงินโยมหมดเนื้อหมดตัวโยมจะให้เราไหมล่ะ <c oughs> ขอริจากเงินที่โยมมีตอนนี้ย เ, เดี๋ยวเออเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ใช้แล้วอะยกให้ใหลวงพ่อไปเลยอาอย่างนี้ก็ คือทําได้ไหมใช่ไหมทำได้หรือเปล่าคือทำใจได้จริงด้วยนะอย่างหลวงตาที่ท่านที่ท่านทําให้ทองคํำนี่ก็เพื่อที่มามาทดสอบใจของพวกเราว่าปล่อยได้หรือเปล่าเข้าใจงไหมที่ท่านบอกว่าเออถวายทองคํากันนะถวายทองคําช่วยชาตนี้ความจริงอุบายของท่ า, า, ทา น, ท, านท่านต้องการให้พวกเราทําข้อสอบกันรู้จักบริจาคให้เราเสียสละให้เราปล่อยวางเงินทองกันเข้าใจ เคนี้เนี่ยมีแต่คนไม่มีตังนั่งนั้นแหละที่บริจาคคนที่มีตังจริงๆอย่างมีเงินเป็นหมื่นล้านร้อยล้านไม่เห็นเข้ามาให้เราไม่รู้หรอคนที่ค่ายให้บางทีเขาให้เงียบๆก็มีเราไม่รู้ไม่ได้ยินเลยใช่บางคนเขาไม่ต้องการให้รู้ไงเพรรู้แล้วมันเป็นอันตรายกับเขาให้มากๆคนอื่นรู้เดี๋ยวจะมาขอเขาใช่เขามีมีมีคนที่เขาให้แบบเงียบๆอย่ให้เยอะๆเนี่ยมีติดต้องหลังพผ้า เออพวกนี้ยังมีจิเลสอยู่อ่ะยังอยากให้หลวงตายังอยากให้หลวงตารับดูว่าหนูทําบุญได้นะใช้ร้อบาทใช่ใช่ร้อยนี่ออกก็ยังดียังดียังดีว่าเขายังให้ก็เริ่มต้นก็อย่างนี้กันทุกคนทําบุญก็อยากจะให้เขารู้ว่าเราได้ทําบุญท่านอาจารย์อย่างที่ท่านอาจารย์พูดถึงเคสที่ว่ายอมสลับทรัพย์สมบัติทั้งหมดได้ไหมเนี่ย ก็เหมือนกับการสละความตายถูกไหมใช่แต่ว่าไอ้การความตนีกับการมีชีวิตอยู่ที่ต้องดำรงชีวิตด้วยการใช้เงินเนี่ยมันคนละอย่างนะท่อาจารย์คืออย่างที่บอกมันต้องมีปัจจัยสีย่ที่มันจะมีมันถ้ามันเกินก็มนไม่ต้องอส่วนที่เกินก็ยกก็เอาไปทําบุญไงแต่เหมือนอย่างอย่างนี้คือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ทีนี้ปัจจัยสมมติเรามีอยู่แค่นี้ คำนวณได้ในวันกินเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายอะไระสิปีคูนก็ไปสิแม่เรื่องนี้ทำไมคิดไม่ได้เป็นนักธนาคารแท้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ท่านจาไม่ใช่เคสนั้นคือว่าปัจจุปัจจุบันเนี่ยคือมันไม่เหมือนกับนี้ยใช่ไหมฮะปัจจุบันเนี่ยมันมีสิ่งที่มันงอกออกมาจากปัจจัยสี่อีกเยอะ ก็เราอย่าไปงอกมันเลยอย่าไปงอกมันมันกิเลสทั้งนั้นอะ่ะถึงบอกให้เอาแค่ปัจจัยสี่ก็จะก็ เ, เป็นนะความจําเป็นบางสว่วนไม่จําเป็นหรอกเราเป็นจำเป็นของมันเองถ้ามันไม่มีไม่ตายมีมันไม่ตายก็แสดงว่ามันไม่จําเป็นอเป็นงี่คนที่ไม่มีเลยเนี่ยก็ดียันน่าไม่ต้องไปไหนจะได้ภาวนาอยู่บ้านภาวนาได้ คนพ่อคนที่ได้ใช่คือคนที่เขาไม่มีเลยตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาไม่รู้สึกหลอกท่านอาจารย์แต่คนที่มีแล้วเหมือนกับทำธุรกิจแล้วเหมือนมันคนติดยาเสพติดเสียยอย่างเงแล้วก็หมดเนื้อหมดตัวเนี่ยมันเป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะท่านอาจารย์นั่นถือว่าไม่มีดีกว่ากลับมาเป็นลูกคนจนอ่ะดีกว่าบวชได้ง่ายเป็ลูกคนรวยบวชได้ที่ไหนใช่ไหมดูครูบาอาจารย์นี่เป็นลูกคนรวยที่ไหนลูกคนจนมัน แต่ถ้ามีมันก็จะง่ายกว่านะไม่ง่ายหรอกมันก็ติดอยู่เงินทองมันจะไปไหนที่จริงบางครั้งเวลาโยมนั่งแล้วก็เห็นผู้คนเดินไปเดินมาแล้วบางทีมันก็เห็นเป็นแบบับโอ้ทําไมโค้งกระโดกมันเดินเป็นขวักขว่ยอย่างเนี้ยก็เดี่ยวเดียวเดียวต้องเห็นตลอดเวลาสอืม คือมันก็ไม่ตลอดเลยใั่ไหมต้องเห็นตลอดเวลาเห็นตลอดเวลาเห็นป๊อปเห็นใครที่รก็เห็นโครงกระดูกกคอนติทำไมเห็นหน้าตาก็ได้ทำไมเห็นโครงกระดูกก็ไม่ได้มันก็อยู่ที่เดียวกันไม่ใช่นะอ่าจารย์อย่างนี้ถ้าเราการที่เราเห็นคนอื่นกับเห็นตัวเราเองเนี่ยเหมือนกันเห็นทั้งเขาทั้งเราต้องเห็นเหมือนกันสามสิบสองเหมือนกันแปดเอ๋อคอนติหรือว่าข่านขั้นขั้นเปลี่ยนเลยจ้ะ เซ<จ>มเซมการที่เราเห็นคนอื่นเนี่ยจาน <c oughs> เราไม่ค่อยรู้สึกทุกข์นะแต่เห็นตัวเองมันทุกข์อ่ะพอเรายึดติดของเราไงก็เป็นของเราของคนอื่นมันไม่ใช่ของเราเราก็เลยไม่ทุกข์เราไม่ยึดติดนนไงเราต้องมองร่างกายของเราให้เหมือนของคนอื่นแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์เนี่ยมันต้องเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราการยอมรับตรงนี้มันยากก็ฝึกไปเรื่อยๆความจริงสอนไปเรื่อยๆมันก็ต้องยอมรับทสักวันหนึ่งถ้าไม่ยอมรับก็ทุกข์ ถ้ารับได้ก็ไม่ทุกข์เราปฏิบัติเพื่ออะไรก็เพื่อไม่ทุกข์เท่านั้นเองไม่เรียปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงร่างกายร่างกายมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันแต่เราต้องการที่จะแก่เจ็บตายแบบไม่ทุกข์ตอนนี้เราทุกข์กันพราะเราไปยึดไปติดว่าเป็นของเราพอร่างกายคนอื่นเราไม่ไปยึดไม่ติดเราก็ไม่ทุกข์แต่ร่างกายของใครของคนอื่นที่เราไปยึดติดเราก็ยังทุกข์ได้ใช่ไหมร่างกายของพ่อของแม่ของในหลวงนี่เราก็ไปยึดติดกันใช่ไหม อก็คืยึติดก็ไม่อยากให้เขาไปพอเขาไปแล้วก็ทุกข์กันมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายของใครอยู่ทีย่ยึดติดหรือไม่ยึดติดถ้าไปยึดไปติดไปถือว่าเป็นของเรานี่ยมันมันก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะจะเกิดตันหาความอยากความอยากไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายหลวงพ่อฮะเวลาอย่างมีน้องเนี่ยการ ทำสมาธิเนี่ยเดินนอนนั่งได้หมดใช่ไหมล่ะคะโน้ก็เดินสมาธิเนี่ยจิตเขาก็ฟุ้ดโฟลเขาก็ดูก้าวย่างไปอย่างเนี้ยอยู่ๆเนี่ยเขาก็เห็นพอพุทแล้วก็เห็นเท้ามือแขนกลายเป็นกระดูกไปหมดอย่านี้แปลว่าจิตรวมตอนนั้นไหมไม่รวมหรอกจิตก็ยังเห็นอยู่แต่มันรวมไม่ให้นไม่เห็นอะไร จะเห็นเดือแต่ความว่างเห็นแต่ตัวรู้สักแต่ว่ารู้ถึงเรีเรียกว่ารูวงอืมตอนนั้นมันก็มีสติมันมีวิปัสสนามีปัญญาแต่เป็นปัญญาชั่วคราวเปปัญญาชั่วข่าวใช่ไหมครับอ่ามันต้องเห็นตลอดเวลาตอนนี้ก็ต้องเห็นเนี่ยมันต้องเห็นตอนที่มันเกิดกิเลสมันถึงจะดีจะได้ฆ่ากิเลสได้พอไปเห็นว่ามันสวยงามปับเห็นร่างกายคนนั้นสวยงามปั๊บพอเห็นกระโครงกระดูกเขามันก็จะได้ดับกิเลสได้ ไปเห็นตอนที่ไม่ไม่กิเลสไม่โผล่มาก็ไม่เกิดประโยชน์แลใช่ไหมเหมือนกินยาตอนที่ไม่ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บกินไหมทาไมมันต้องกินตอนที่มีโครคภัยไข้เจ็บเวลาละเวทจิต<ม>เวลาจิตใจของเราเกิดความอยากขึ้นมามันทุกข์นี่เราต้องเอาปัญญามาดับความอยากอย่างที่สอนเมื่อกี้นี้ ถ้าวิปั ส, สนาเกิดโชกข่าวอย่างหลวงพ่อพว่าที่ว่ า, เ, าเดินล้เห็นคงก็เป็เตัวเองเป็นคงกันหรกนี่ก็ทำไงต่อก็ต้องเอามาเนคอยู่เรื่อยๆให้มันไม่ดื้อไงให้มันจดจําไว้เหมือนท่องสูตรกูลอย่างนั้นอนะ่ะพอเวลาจะใช้มันเราจะเราจะได้ใช้มันได้ก็คือจดจำคือให้เป็นเห็นเป็นคงกระดูกที่เราเห็นอพอเวลาเราเกิดความกลัวตายเราก็จะได้เห็นว่าอ๋อมันก็แค่คงกระดูกที่ตายทั้งนั้นเอง เราก็จะได้หายกลัวก็ต้องทสมาธิต่อไปอยเรื่อยๆก็ทั้งสมาธิทั้งปัญญาเนี่ยก็ต้องทาไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหายกลัวตอนนี้เรายังลืมตอนนี้เรายังลืมไปแล้วว่าร่างกายเราเป็นโครงกระดูกพอมันจะพอมันจะตายขึ้นมาก็ตกใจกลัวขึ้นมาแต่ถ้าเรามาบอกว่ามันเป็นแค่โคงกระดูกเดี๋ยวมันก็ต้องผุทางกายเป็นกลายเป็นดินไป เราก็จะไม่กลัวเราก็จะปล่อยดังนั้นเวลาที่เราปฏิบัติคนเนี่ยเรายังเหมือนทำการบ้านซ้อมอยู่แล้วเราต้องเอามาให้มันฝังอยู่ในใจล้วเหมือนสูตรคูณพอถึงเวลาจะคิดบัญชีจะได้ใช้ได้ไ ด, ได้ทันทีเลยยมเอาตัวเองยึดตามทำเพศ สั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คือในองค์มรรคแปดเนี่ยจะยึดสัมมาสมาธิเป็นหลักคืออะไรที่เรารู้เราเห็นถ้าเผื่อไม่ได้เกิดจากสมาธิโยมก็จะเหมือนกับไม่ยอมรับรเพราะฉะนั้นที่เกิดกับสมาธิแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้คิดเข้าขั้นตัวเองเปล่าว่ามันใช่เลยมันของแท้ไม่ําเป็นนะมันไม่จำเป็นั้งสมาธิฟังเทศฟังธรรมมันก็เป็นของแท้นั่นแหะ พลังทำของครูบาอาจารย์นี่มันก็ของแท้ทั้งนั้นน่ะแล้วไม่จําเป็นจะต้องออกมาจากสมาธิอย่างเดียวแต่ของจริงที่แท้มันก็อยู่ที่เราถูกไหมอาจารย์ของจริงที่แท้ก็คือดับความทุกข์ได้เท่านั้นเองอถ้ายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังไม่อาจารย์นะอย่างเรื่องความหลงารก็นั่นแหละก็ความหลงที่บางทีเราไม่รู้เลยว่าเราหลงสิ่งนั้นออเราไม่รู้เลยว่าเราหลงสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นเป็นของที่ เป็นของจําเป็นสําหรับชีวิตประจำวันั้นเร่ต้องไปอยู่กับกูบาจางท่านจะได้บอกให้โยนทิ้งไปให้หมดนเแี่ยไปอยู่กับกูบะลุงตาสมัยก่อนเข้าไปวิทยุก็ไม่ให้เอาเข้าหนังสือพิมพ์ก็ไม่ให้เข้าแต่ถ้าเราไม่อยู่กับกูบาจารยงเราก็คิดว่าเป็นของจําเป็นแต่ท่านบอกไม่ใช่เป็นของจําเป็นพระอยู่กับท่านก็พระไม่ให้รับกลิ่นนิมนต์ถ้าที่อื่นก็บอกกลิ่นนิมนต์นี่จําเป็นต้องไปเยต้องไปอยู่กับคนที่เขารู้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลส อยู่ดีๆเราจะไม่เราไม่มีปัญญาแยกแยะว่าอะไรเป็นกิเลสไม่เป็นกิเลสถ้าอดอาหารก็ก็ก็กิเลสมันก็จะว่านี่มันสุดต่งนะแต่ไปอยู่กับท่านยิ่งอดได้เท่าไหร่ ย, ยิ่งดีเป็นธรรมเปเคยโยงก็เคยอดอาหาร อ, อดอาหารนี่แย อ, อ, อ, อดน้ำไมอดน้ำไม่แย่กว่าอดอาหารใช่น้ํามันเดี๋ยวเดียวมันก็ตายอาหารนี่สี่สิบเก้าวันยังไม่ตายพระพุทธเจ้าอดน้ําไม่ทรมาน ก็ไม่ให้อดน้ําเขาให้อดอาหารคือลองอดเนเอาไปอดทำไมเนี่ยเนี้ยก็เป็นกิเลสได้ไม่รู้สึกตัวนี่คือความหลงออใช่เออยังต้องไม่อยู่กับผู้บาาจารย์ท่านถึงจะรู้ว่าอันไหนเป็นความหลงอันไหนไม่เป็นความหลงคืออย่างนี้ก็คือผิดหลักเออ่าคืออดอาหารแล้วก็ไปนั่งประท้วงอยู่ที่หน้ารัฐสภานี่ก็อันนี้ก็เป็นกิเลสเองอ่ะไม่ได้เป็นธรรมเองอ่ะนี่มันความหลงที่ไม่รู้ตัวอ่า แล้วอย่างนี้ท่านอาจารย์แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าอันนี้หลงที่ไม่รู้ตัวมันจะตื่นขึ้นมาไดางไต้องไปอยู่กูบาอาจารย์ท่านจะคอยคอยสะกิดเราเนี่ยคอยสะกิดเตืนอตนอยู่เรื่อยๆเราจะไปหาที่ไหนทางใต้ไม่มีแล้วก็ต้องไปหาทางที่ที่มีเพราะว่ากูบาอาจารย์ที่อเอมไปอยู่ท่านก็ทิงขังเือนองคอื่นก็มีลูกศิษย์น้องตาก็ยังมีหลายองค์ลูกศิษย์น้องปู่ข้าวใต้ไม่มีเลยนะ กระจายจาก็อยู่ต่ลจังหวัดเอ่ก็อยู่ที่เราแ่ะถ้าเราอยากได้มันไกลขนาดไหนละ่ะก็ไปได้ฝรั่งมันยังมาที่นี่ได้เลย <c oughs> ฝรั่งมันอยู่เมืองนอกางาองังกฤอาจารย์บอกให้ทิ้งปัจจัยให้หมดแล้วจะมาอย่งไรฮะ <c oughs> ก็ไปบวชชีไปอาศัยวัดกินไงกินแบบเ อ, อ <c oughs> ก็ไม่ต้องถ้ามีปัจจัยก็อามาใช้ในการปฏิบัติเล่อย่าไปใช้กับกิเลสเท่านั้นเอง ไม่ต้องไปทําบุญถ้าเราําเป็นจะต้องซื้อข้าอาหารของเราเองเรามีเงินทองแล้วก็เก็บออกมาใช้กับการปฏิบัติอ่าใช่เออบางทีไปอยู่วัดแต่ส่วนใหญ่ถ้าไปอยู่วัดแล้วไปช่วยงานในวัดบ้างเนี่ยมันก็มีอาหารฟรีกินอยู่แล้วไม่ต้องไปซื้อที่จะไปช่วยอย่างนั้นแล้วท่านอาจารย์เจ็ดสิบแล้วอ๋อโอเค แต่มันไม่ไม่ต้องทําแบบหักโหมทําไปตามกํากลังเขาไม่บังคับเราเหรอกเพียงแต่เราแสดงน้ําใจว่าเราได้มีส่วนร่วมเท่านั้นเองแหละทํตาตามอัตลักษวัดก็ไม่ได้มาต้องการไหนเขาไม่เขาต้องการเราดัดความที่เกียรติของเราเท่านั้นแหะไม่ได้ต้องการอะไรจากเราเหรอกกลัวจะไปอยู่เฉยๆไปอาศัยวาดกินจริงๆเท่านั้นเองแต่ถ้าไปพอถึงเวลาเขาล้างถ้วยล้างชามกันก่อนล้างช่วยกันล้างไป หั่นผักหั่นอะไรก็ทํากันไปมันก็เป็นแค่เฉพาะกิจเท่านั้นเองเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปภาวนาได้อาหารก็กินเราก็กินอาหารฟรีของวัดได้อย่างสบายใจไม่รู้สึกว่าเราจะมาอาศัยวัดกินเดี๋ยวพระไปบิณฑบาตที่พระก็ไม่รู้สึกว่าเป็นขอทานไม่ได้อาศัยว่าไปเกาะญาติโยมกินเพราะพระก็ทําตามหน้าที่ถึงอ่าใช่เออ เราก็ทําตามหน้าท er so well, ี่ในวัดของเราก็ช่วยวัดไปถึงเวลาทําภารกิจอะไรช่วยกันกว่าล้างส้วมทําอะไรก็ทําไปก็เป็นเนการทําหน้าที่อได้ทําไปทางวัดไม่ได้เรียกร้องอะไรหรอกทีนี้พวกเรามันไม่ค่อยชอบทําแบบนี้กันเราคิดว่าใช้เงินดีกว่าแล้วเราสบายใจเราเราได้ไปอยู่วัดเราไม่ได้ไปขอวัดกินไงเราอะไรไม่ต้องล้างถ้วยน้างชามอะไไม่ต้องล้างถ้าให้จานนั่นเป็นความคิดไง นั่นแหละกิเลสอย่างเงี้ยมันเป็นความาจริงจริงที่ลึกๆอยู่ในนั้นเลยเ อ, อันนี้เรียกว่าความหลงใช่ความหล ง, หลงกินห ล, ลงในตัวตนถือตัวไงแต่ยังเป็นเป็นนู่นเป็นนี่อยู่ท่านจะมานั่งเกาะวัดกินก็ขายหน้าท่านจะมาล้างถ้วยล้างชามเพื่อมากินข้าววัดมันก็แต่ถ้าเราเมานั่นนั้นลักษณะเป็นนักบวชเนี่ยเราไ ม, ไม่เราจะไม่มองแบบนั้นเรามองว่าเรามันเป็นหน้าที่มันเป็นการเลี้ยงชีพที่สุจริต ที่าทางวัดเขายินดีเขาไม่ได้เขาไม่ได้ดูถูกดูแคลนตอนนีน้ทุกโลกที่บวชใหม่ๆก็ต้องล้างส่วมกันทั้งนั้นล้างสบมล้างกระโถนของครูบาอาจารย์เอทําอะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆถือว่าเป็นหน้าที่เป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจไปในตัวอให้ลดมานะทิฏฐิการถือนึกถือตัวอันนั้นคือความหลงได้กิเลสนะครั คืาหมอต้องมีอยู่กูบาอาจารย์ไงไอหลงนี่ลอยไปอยู่กูบาจาร ย, นะยาา์แล้วท่านจะทันจะรีดไอตัวหลงนี่ออกไปให้หมดเลยอยอมรับไม่ได้แล้วท่านเห็นนั่นแหะต้องตับใจไงต้องทําใจให้ได้ว่าท่านไป็นท่านสั่งสอนเราอย่าไปคิดว่าท่านโกรธเกลียดเราเออ ดูถูกดูแคลนเราเรืออะไรไม่มีร แ, แต่ท่านใช้วิธีการเหล่านี้เพื่อรีดไอตัวกิเลส ข, ของเราให้ตัวถือตัวให้มันออกไปเราต้องยอมไหมท่านรีดต่เรายอมให้ท่านรีดแล้วไม่เป็นปัญหาแล้วเรากลับดีใจว<ะ>่าแต่เราจะได้คิดว่าท่านเมตตานะท่านอุตส่าห์มารีดกิเลสให้เราเนี่ย <c oughs> ถ้าท่านไม่พูดไม่อะไรกับเราเนี่เราจะรู้สึกน้อยใจปะปะเอ๊ะท <c oughs> าไมท่านไม่ด่าเราเลยท่านไม่อะไรเราเลยด่ามากก็ไม่ได้อีก ท้างกระวังกันท่านก็ตะวันว่าไอ้คนนี้ดา่ารับความด่าได้มากน้อยถ้ามันเบาบางก็เอานานๆทีนึงอยาให้ยาแรงขึ้นอ่า <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยนให้คนอื่นก็ถามบ้างนะอะ่อยากจะกลับกันหรือยังถ้ากลับก็กลับได้ถ้าอยากจะฟังต่อก็ฟังได้นะั้นยังมี อ, ง อ, งอ่าอ่าโอเคถ้าอยากจะ เ, เป็นหลายพันกิโล ใครอยากกลับก็กลับได้นะใครอยากจะอยู่ต่อก็อยู่ได้เพราะจะมีคําถามจากทางบ้านนะตอนนี้ถ่ายทอดสดรู้ไหมเนี่ยไปทั่วโลกเลยเนี่ยอ่อินเทอร์เน็ตเนี่ยเฟซบุ๊กยูทูบเนี่ยคนอังกฤษคนเยอรมันอยู่ที่อเมริกงอเมริกานี่ยเขาติดตามกันอยู่แล้วเนี้เดี๋ยวก็เขาส่งข้อความเข้ามาเนี่ยเดียไม่รู้แล้วเนี่ยมาที่เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ถ่ายทอดสดกันทุกวันเนี อย๋างนี้ไม่ต้องมาก็ได้อยู่ที่ไหนก็ติดตามได้ไกลเข้าไหมเฟซบุ๊กเนี่ยมีไหมไม่ค่อยดูเฟซบุ๊กเนี่ยบ่ายสองโมงอย่างนี้ดูสดได้มีคำถามไหมตามสบายตามสบายอาไปในเคลียทีได้ได้อาว่ามาคำถามจาก YouTube คำถามจากคุณอารีรัต พักหลังนี้โยมนั่งสมาธิแล้วมีอาการหัวใจเต้นแรงจนเต้นลัวๆจนผีคิดว่าร่างกายจะรับรู้รับรู้ไม่ไหวบ่อยครั้งกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าอาการแบบนี้ดีหรือไม่แล้วสามารถแก้ไขอย่างไรครับคือมันต้องดูว่ามันเป็นเฉพาะตอนที่เรานั่งสมาธิหรือมันเป็นตลอดเวลาถ้าหัวใจเต้นแรงผิดปกติตลอดเวลาก็ต้องไปหาหมอในเรื่องของร่างกาย แต่ถ้าเป็นเฉพาะเวลานั่งก็แสดงว่าเป็นกิเลสเวลาอื่นไม่เป็นนีเวลาเที่ยวเวลาเล่นไม่เป็นนี่พอมานั่งสมาธิเป็นนั่งดูหนังไม่เป็นนั่งเล่นไพ่ไม่เป็นตรงนี้ก็เรื่องของกิเลสก็อย่าไปสนใจมันถ้ามันเป็นกิเลสไม่ต้องไปสนใจแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปพอจิตมีสติแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเองคางถามจากเฟซคถามจากคุณลับ คนที่มักโอ้ อ, อวดในกิเลสลาบยศวัตถุสิ่งของโดยไม่นึกถึงใจผู้อื่นยิ่งในสื่อโซเชียลทุกวันนี้ยิ่งถือว่าอวดได้มากแต่ก็ทําร้ายจิตใจคนไปได้มากเช่นกันถือเป็นบาปติดตัวไหมเจ้าคะเพราะเห็นคนคนนั้นมีเรื่องทุกข์ตามมาอยู่เรื่เมเรื่อง๋อไม่หรอกคนที่เจ็บใจนั่นอ่ะเป็นพวกคนโง่เห็นคนเขาอวดนายก็อิจฉาลิศยาเขาเนี่ย ตอนนั้นเองคนฉลาดก็ไม่ไปดีใจกับการโอร้อวดของของคนเนาเพราะมันก็เป็นเรื่องที่เราห้ามเขาไม่ได้เขาจะโอ้อวดหรือไม่โอวดก็เรืร่องของเขาแต่สิ่งที่โอ้อวดก็ไม่น่าอิจฉาลิสยาเพราะมันเป็ น, นเป็น่นึงของเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละลาบยศสารเสริอเนี่ยมันเป็นทุกข์ถ้าคนฉลาดเห็นแล้วก็จะไม่ไปเสียอกเสียใจหรือไปรู้สึกอะไรกับการโอรร้อวดของคนต่างๆอันนี้ก็ คนที่ทุกข์ก็เพราะว่าโง่พอได้ยินได้ฟังแล้วก็น้อยอกน้อยใจอิจฉาริษยาขึ้นมามันก็เลยไม่สบายใจกันขึ้นมาอย่างเราต้องมองโลกว่าในโลกนี้มันมีคนหลายระดับหลายแบบด้วยกันคนรวยก็มีคนไม่รวยก็มีฮะรวยมากก็มีรวยน้อยก็มีแล้วเขาจะอวดหรือไม่อวดไมัก็เป็นเรื่องของเขาเราไปห้ามก็ไม่ได้ ก็ก็เปิดซะก็อย่าไปอ่านซะมันก็หมดเรื่องถ้าอ่านแล้วไม่สบายใจก็อย่าไปอ่านมันใช่ก็หมดเรื่องทอําไมจะต้องไปอ่านมันทําไมไปอ่านของที่มันทําให้เราไม่สบายใจทําไมใช่ไหมแค่นี้ก็ปัญญาแค่นี้ก็ไม่มีนะมัน <c oughs> ไปกลับไปโทษเขาไปว่าเขาไปมีเรื่องมีราวกับเขาอย่ีกเนี่มหลงเท่านั้นน่ะไม่รู้จักวิธีแก <c oughs> ้ <c oughs> ไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ใจของตนเอง ก็เมื่อเห็นภาพมันทําให้เราไม่สบายใจก็อย่าไปเห็นมันเสียอย่าไปมองมันท่านเองที่มันอำอยากนะฮะอยากรู้อาว่ามาคำถามจากคุณท่าทรายจิตสงบจิตรวมสมาธิแตกต่างกันอย่างไรครับแล้วมีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไรบ้างครับอก็ไม่เหมือนกันะจิตรวมจิตมีสมาธิก็คําเดียวกันก็จะให้รวมก็ให้มีสติ าจจะมีสติก็ต้องพุโทโธไปทั้งวันนะคำถามจากคุณกุ้งกรอาจารย์บอกว่าความฝันคือจิตปรุงแต่งแต่หนูฝันว่าญาติที่เสียชีวิตเขามาขอบคุณที่หนูทําบุญให้เขาคำถามคือมันพิสูจน์ได้ไหมคะว่าไม่จริงจริงหรือไม่จริงเพราะปฏิบัติทุกคืนค่ะขอความเมตตาด้ยก็คปะถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องแขวนไว้ก่อน <laughs> อันไหนพิสูจน์ได้เราก็จะสรุปได้ว่าจริงหรือไม่จริงมันมีของที่เราพิสูจน์ได้ของที่เราพิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมเมื่อของที่เราพิสูจน์ไม่ได้เราก็ต้องไว้ไว้กลุ่มนึงว่าของนี้ยังไม่แน่ว่าจริงหรือไม่จริงของที่เราพิสูจน์ได้แล้วเราก็ว่าอันนี้แน่จ น, นตอนที่หลวงตาท่านจะงปันก็บัญิีใหม่โยมก็ฝันว่าหลวงตาเนี่ยมาให้ส้มงโอโยมลูก ลูกมันใหญ่มากเลยแต่ส้มโอลูกนั้นอนะ่ะมันเหลืองมันเหมือนกําลังจะเนาะ่าอ่ะแล้วในความฝันโยมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหลวงตามาให้ส้มโอเนา่าแต่ก็เออเอาวะหลวงตาให้เอาเถอเอาไว้ก่อนแล้วหลวงตาก็มาลูกหัวอยมโยมแก้ปริศนาธรรมนี้ไม่ได้เลยแก้ไม่ได้ยังไม่ต้องแก้ปล่อยไ ป, ไปอ่า ทวันนึงเดี๋ยวมีปัญญามีเหตุการณ์น่าจะทําให้เราร้องอ๋อขึ้นมาก็ได้ว่าท่านหมายความว่าอย่างไรหลวงตาท่านก็เคยเล่านิมิตของท่านให้ฟังว่าครั้งหนึ่งท่านเคยฝันว่าท่านนอนหลับไปท่านฝันว่าท่านลอยไปเลยก็ไม่ใช่หาท่านจานมานท่านลอยอยู่อยู่เนื้อเมืองหนึ่งเมืองสวยมากมีประชาชนออกมามามาต้อนรับท่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านบอกว่เวลาท่านเอามือ แผ่ออกไปเนี่ยเหมือนกับมีแสงแลมีน้ําเนี่ยโปรยให้คนท่านเล่ามาตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะมาทำผ้าป่าช่วยชาติเนี่ยตอนตอนหลังเนี่ยมันก็ถึงมาปรากฏว่าเนี่ยท่านมาทําเรื่องผ้าป่าช่วยชาติให้กับประชาชนคนเยอะแยะไปหมดนะท่านเล่ามาตั้งแต่สมัยที่เราอยู่บ้านตาดเมื่อสามสี่สิบปีก่อนอาจารย์อยู่บ้านตาโทวนอนะาจารย์อยู่บ้านตาดปีหนะึ 1> 1, ่งแปดถึงสองหกยกเข้าไปปีสองห แต่ไม่เคยเจอไม่เจอแล้วเพราะพระเราจะไม่เกี่ยวข้องกับญาติโยมส่วนใหญ่ตอนนั้นท่านอาจารย์ลพดลอยู่อยู่แล้วท่านเข้าไปหลังเราสองปีมั้งแต่หลวงตายากให้ท่านลพบดลเข้าไปทำอะไรตอก็มีพระบางรูปที่ไปรับใช้ท่านโดยตรงไงแต่เรานี่เรารับใช้อย่างอื่นเราทําหน้าที่ส่งหนังสือให้ท่านเราเลยไม่ต้องพบปากญาติโยมเวลาญาติโยมเขียนเขียนจดหมายไปขอหนังสือท่านก็จะ อาจดหมายมาให้เราเอาที่อยู่มาแล้วบอกว่าให้ส่งหนังสือเล่มไหนไปแล้วก็หอ่อแล้วก็ส่งไปให้เขานนท่านอาจารย์ก็เคยส่งหนังสือไปให้ผ ม, มองเพราะเรามีรายชื่อทําบัญชีไว้หมดเนี่ยเพอเดี๋ยวท่านจะมาถามเผื่อใครมาขอใหม่ mm hmm. จะได้รู้ว่าเคยส่งอะไรไปแล้วถ้าส่งมากไปแล้วก็ไม่ให้ส่งต่อเพราะบางทีขอแบบโลภนี่ท่านก็ไม่ให้ mm hmm. แต่ถ้าขอเล่มที่ไม่มีท่านถ้าพิจารณาด้วยเหตุผลที่เขาขอมาท่านเห็นว่าสมควรนะั่นก็ให้ส่งไป แต่ถ้าขอโดยไม่มีเหตุไม่มีผลบางทีท่านก็บอกไม่ให้ส่งไปแลยต้องทําบัญชีไว้ทําลายรายการไว้ว่าคนนี้ชื่อนี้ส่งหนังสือเล่มไหนไปให้บ้างเราจะไม่ค่อยยุ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับญาติโยมเนทะ่าไหร่ไม่ได้พบญาติโยมปีตั 2, 5, ้งแต่ปีสองห้าปีไม่เคยเห็นกันวินาบาต์เสกกับกุติชั้นเสกกับกุ 2, 5, ติแต่พระ อ, อื่นท่านมีมีเวนมีหน้าที่บางองค์ต้องอยู่ศาลา พระเวร เ, เวลาญาติโยมมาหลังจากที่หลวงตาท่านกลับไปพักแล้วบางทีมีคนมาพระก็จะไปต้อนรับแล้วไปถามเขาว่ามาทําอะไรแล้วก็บอกเวลาว่าเข้าได้หรื อ, อยังอะไรทํานองนี้้ญาติโยมก็จะเจอพระเวรกันแต่เราโชคดีเขาไม่จัดเราให้เป็นอยู่เวรเราก็เลยหลวงตาให้พระอาจารย์ภาวนาให้ภาวนาอย่างเดียว จะไปช่วยเขาสร้างกุฏิท่านก็ไล่เราไปท่านเห็นว่าหนึ่งแล้วก็ทำไม่ได้งานพวกนี้เราไม่เคยทํามาก่อนงานหนักเนี่ยเคยแต่เรียนหนังสือเคยแต่ใช้ปากกาพอจะต้องไปแบกไม้แบกอะไรท่านเห็นเราแบกแล้วท่านก็สงสารให้ช่วยจัดกาต่อเลยหางานเบาๆให้ทําเพื่อจะได้พระรูปอื่นเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าเออเารัดเอาเปรียบกัน แ บ, บ่งหน้าที่กันไปอให้เหมาะกับฐานะของของแต่ละคนเราไม่ได้เป็นลูกชาวนาชาวไร่เราเป็นลูกคนในเมืองมีแต่เรียนหนังสือเขียนหนังสืออ่านหนังสือไม่เคยแบกข้าวแบกของไม่เคยจับจอบจับเสียงพอให้มาทํางานหนักมันก็ทําแล้วดูก็เคอคะคะท่านก็เห็นใจท่านก็เลยเมตตาไล่ไปไม่ให้ทำเลยเคยได้ยินว่าหลวงตาไม่ยังไม่ให้ท่านกวัดฝา กวาดกวาดต้องกวาดนี่ยทุกนี้หน้าที่ของทุกคนต้องทำเจ ไ, ได้ยินมาว่าหลวงตา ย, ยังไม่ให้ท่านจางกวาดใช่ไหมอันนี้ก็พูดไปเอง <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นความจริงต้องกวาดหน้าที่ของพระทุกรูปในวัดนี่ถึงเวลาปัดกวาดั้งปัดกวาดกันทุกคนต้องทํากันทุกคนอันนี้คงจะผลปล่อยข่าวให้เสียหายมากกว่า นี่ยชื่นชมไม่สักนะเชื่นชมว่าท่าอาจากย์ภาวนาดีแล้วหลวงตาก็แบบแม้แต่ป่าฝาวะก็ยังไม่ให้ทำอ่าใช่ประมาณนั้นมากกว่านอกจากเวลาอดอาหารเนี่ยท่านอนุญาตให้อ่าไม่ต้องออกมาปฏิบัติเป็นเคสนี้ที่กุตติเวลาอดอาหารทุกรูปไม่ใช่เฉพาะเราองค์ไหนถ้าอดอาหารท่านบอกไม่ต้องออกมายุ่งเกี่ยวกับหมู่คณะให้อยู่ที่กุติให้ทําเฉพาะที่กุตติของตัวเองก็พอ ก็ต้องการปีกวิเวกไม่ต้องการที่จะไปคลุกคลีไปสัมผัสรับรู้ไปคุยกันอะไรท่านอาจารย์อยู่ปีสองหนึ่งแปดเคยเจอท่านอาจารย์สุธินไหมเจอเจอท่านสุธินก็เจอท่านก็ไปอยู่ปักใต้ไม่เห็นใช่ไหมท่านมอญภาคอ่ะมอญภาคแล้วท่านไปอยู่อีโป่เจอสุธินท่านท่านฆาก็เจอท่านอาจารย์ฆาก็ก็เจอท่านอาจารย์สุธรรมท่านวันชัยท่านน้อยท่าน เยอะหมดนะท่านปาฝรั่งก็ท่านเอียนท่านดิกท่านปัญญาท่านเชอรี่อารย์อาจารย์อินทวายน้องปูดีน้องปูนี้ก็ยังอยู่สมัยที่เราเข้าไปน้องปูมันมีน้องปูดีท่านไปไปมามาเข้าเข้าออกออกาจารย์เพียนไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่แล้วแต่ท่านก็ไปเยี่ยมหลวงตาไปเอากล้วยเอาอะไรไปของไปถวายหลวงตาตั้งวัดก็หาของอย่างอื่นตอบแทนกันไปส่งกันไปส่งกันมา อาจารย์สิงทองก็ไปอาจารย์สิงทองท่านก็ทำไม่ น, นั้นยังอยู่พระอาจารย์สุภัฒนก็ยังอยู่ใช่ใพระอาจารย์สุพัฒน์ท่านไปเสียชีวิตทั้งสององค์ที่ตกเครื่องบิ น, ตนแต่รุ่นนั้นตกเครื่องบินหลายท่านห้าลูกลวงตาก็เขานิมนต์ไปแต่ลวงตาท่านไม่ได้รับอะไรไม่ได้ไปหลวงตาท่านรู้ว่า ไ, ไม่ต้องไปมีไหมคำถาม เลือมันใกล้จะหมดแนละ้วเอาสักอีกสองคำถามวันละกันเหนื่อยแนละ้วคำถามจากคุณภูริผมไปภาวนากลางป่าบนเขา ว, วัดป่าเป็นดงงูจงอางตอนดึกๆเถอนอนปรากฏว่า ง, งูจงอางตัวใหญ่มาปรากฏต่อหน้าขู่อฟอผมตกใจกลัวตายมากพอได้สติก็บริกรรมพุทโธพุทโธถีบจนกระทั่งลมหายใจละเอียดเป็นสมาธิจิตรวมก็เลยปล่อยกาย ให้งูว่าถ้าเจะเอาผมไปผมก็พร้อมในขณะนั้นไม่มีความรู้สึกกลัวงูแต่กับเมตางูหากมีกรรมต่อกันก็จะเอาโหสิกรรมให้กันสักพักใหญ่งูก็เลือ้อยจากไปผมก็ภาวนาต่อไม่มีความรู้สึกกลัวตายเรียนถามว่าเป็นเพราะกําลังสมาธิหรือปัญญาที่ไม่กลัวตายในขณะจิตรวมกับตอนนอนอมีสติไงสติก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธไป พอจิตสงบแล้วมันก็หายกลัวนี่แหละเหตุผลที่กรูบาอาจารย์ทั้งหลายชอบไปอยู่ที่หน้ากลัวกันเพราะมันจะบังคับให้เราภาวน า, <c oughs> อาพอกลัวอะไรปั๊บมันจะพุโทโธพุโทโธเลยมันจะไม่ไป <c oughs> คิดถึงอะไรแล้วพอมันพุโทโธแบบจริงจริงจรังยั ง, ง, ง, งไม่กี่นาทีจิตก็สงบได้นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมต้องไปหาที่หน้ากลัวภาวนากันเพราะเวลามันกลัวแล้วจิตมันจะไม่มันจะแบบปล่อยให้คิดเลอะเทอะไม่ได้แล้ว มันจะควบคุมความคิดที่อาจารย์นัดอย่างขึ้นความกลัวตรงที่อาจารย์พูดถึงนี้ถ้าหากว่าเราผ่านความกลัวตรงนี้ได้นี้จิตใจเราจะมีกําลังมากเลยมากมันจะหายกลัวแล้วมันจะไม่กลัวแล้วต่ อ, อไปมันก็จะไม่กลัวใช่เพราะมันรู้จักวิธีแก้ความกลัวแล้วครับก็ไม่ต้องแขวนอะไรใช่ไหมครับอ่าพวกผ้าพวกตะกุนอะไรก็ไม่ต้องแขวนอะไรพเพราะผ้าเาผ้าจริงก็ไม่แขวนแล้วผาก็เป็นถ้าก็เป็นผ้าอยู่แล้วจะไปอาอะไรมาแขวนอีกอ่ะโอผมสุขใจหมดเลยคับเมื่อี้ว่า ตะกดพวดเหรียญพวกอะไรมันมีสภาพ่เมอไม่มีหรอกเป็นเพียงแต่อุบายท่านเองเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้คิดถึงพุทโธเวลากลัวให้คิดถึงพุทโธไ้เอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพณิเพิจาณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ